คือนบ้านของเขาพูดกันเมื่อนี้ทำวัดเราตังกันเพื่อว่าจะได้อบรมทำคมเข้าใจกันเมื่อนี้เป็นวันที่สี่เป็นวัมนอังคารแล้วก็แลมเข้าคำเดือนสาม ที่เขามาอบลมนี inside, um. <warriors aaaa. S 1> ่ว่ามาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเป็นการทำบุญอุทิศให้ลุงหวนเขาเมื่อเคยทำกันแบบนี้ทำกันมาแต่เมื่อลุงน้อมแล้วก็มาทูอลุงหวนก็ทำกันเพื่อเป็นตัวอย่างแบบนึง เคำว่าเคยทําเพราะเขาบม่เคยหูไม่เคยเห็นบม่เคยเข้าใจการทําบุญหาคนตายก็ต้องคนตายแล้วก็ต้องทําอยู่ที่บ้านที่เหงื่อหูกินเหล้าเล่นกันพ น, นันอันนั้นบุแมนบุแมนทําบุญแบบนี้อันนี้ทํทนนาบุญแท้ๆเฮาบม่รู้จักว่าบุญนะคืออย่างยู่งใส่เขาบม่รู้จัก นึกว่าทำบุญให้ลุงฮวนผู้ตายคนโบแมนเรื่องนั้นเราตายแล้วทำบุญให้เฮานอย่างสิทุกตอนผู้เป็นลูกเป็นหลานต้องเข้าใจอย่างไรอันทำบุญให้พ่อให้แม่เฮานั้นเฮาบุญจากเฮาก็เฮ็ดไปเรื่องนั้นมันดีแล้วดีแต่หักมันดีแบบนั้นสมมติเอาให้เฮาเห็นผู้ที่มีลูกอยู่นี้ มีลูกผู้ที่มีผู้มีเมียเนี่ยผู้ที่บทันมีมลูกก็อาชีพมีจะได้สมมุติว่าลูกเขาบอกงากหรือว่าทะลเลาะผิดเพียงกันเขาก็ บ, บทสบายใจผู้เขายังมีชีวิตอยู่แบบ น, นี้ถ้าหากว่าลูกบอกเรื่องฝังแับ น, นี้เนื้อขาจะบทะทะเลาะบู้ผิดเพียงกันพ่อแม่ก็สบายใจ ควาความสบายใจพูดได้เป็นบุญอันความทุกข์นั้นพูว่าบเป็นบุญหันทาบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่ตายไปฆนะ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าัวฆ่าขัวอันนั้นบมีเงนะทำบาปแล้วไนดะ้น่งเขาก็ยนงว่าทาบุญยูอันนั้นเป็นความเข้าใจแบบแต่ค้อนพ ดะนั้นเฮาหมานี่คือามาแก้ไขรวมผิดพลาดรวมผิดเป็นครูแต่ยาทำผิดคุณโบราณคุนสอนไว้ทั้งท่านดังนั้นซึ่งใดที่มันผิดไปแล้วเกาต้องแกซ้ซึ่งใดที่มันทูกต้องเขาต้องส่งเสริมขึ้นซึ่งใดที่มันขาดเลือเล็กเล็กเน้อยเขาต้องหามาเพิ่มให้มันดีขึ้นอย่างทีู่กต้อง ถ้าหากหาบทพิจารณาหาเหตุหาผลจริงๆแล้วการทําบุญนั้นติดทุกตามประเพณีซืบเนื่องบ่ม่นหลักพุทธศาสนานี่หลักพุทธศาสนาในี่ยพ้นสอนปัจจุบันว่าอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วพ้นกับบบอามาว่าอนาคตที่ยมภพันมาถึงเพื่อพ้นกับบบอมาว่าเพ้นให้เหาพิจารณาให้มันเห็นปัจจุบันนี่ลนะพระพุทธเจ้าพ้น เป็นพระอรหันต์อา่ารย์สุภเเจ้าเนา้อหาว่ากันคำหมายว่าพราะอรหันต์น่ะเมื่อตัดสู้หม่ไมเดินออกมาพบกับอุปกาศรศิวก็เงบ้อหว่าให้อุปกาศรศิวกเข้าใจเป็นหนังมันเข้าใจผิดเรื่องพระอรหันต์มันเข้าใจผิดถ้าหากเป็นพระอรหันต์มองเห็นจิตใจอุปกาสศิวกจริงๆก็ต้องบอกก่อนที่ให้มันทุกข์ใจกับอุปการิวกคนนั้นที่ อุปการศิวธรรมท่านยุ่มสิใดเป็นลูกศิษย์ของใครสิครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอันใดให้สิพระพุทธเจ้าเราซื้อๆเราซื้อๆอุปกาสีิวกรเลยนแบบตินให้นะมีเลยเลยบุญหลักธรรมะบุญหลักคําสอนจากพระพุทธเจ้าเลยอุปการศิวกรแต่ความจริงอุปการศิวกรนั้นแสวงหาพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อไปพอพระพุทธเจ้าทําไมจะบูชาพระพุทธเจ้า พระพเจ้าแสดงธรรมาให้ฟังซื่อๆกับโบเข้าใจเนี่ยเรื่องมันมีอย่างซีดีที่นาํามาร้อยฟังบัด น, นี้พระองค์เลงงานเบืง้งพวกกันครูอาจารย์ทางสอก ว, ว่าตายแล้วเลยเลี้งงานแต้นพวกปัญจวกกัคคีทั้งห้าที่ก็เลยมาแสดงธรรมให้พวกปัญจวัคคีทั้งห้าที่ฟังคําว่าตายเนี่ยเอาให้เข้าจักจนเธอหนึง มันตายเราเข้าโรงจริงๆบ่หรือว่าตายคนมีทิฏฐิมีมานะคันถ้าตายแบบคนมีทิฏฐิมีมานะแล้วตายแบบหนึ่งนี่นี่ยบนไม่ได้ตายหมดลมหายใจได้เนี่ยหรว่าให้เราเข้าใจจริงๆคําว่าตายตายนี่ตายจากคุณกุงามกระไดยังที่ลูกลานเราก็คือกันพอแมบอกบบเสื้อฟังคันว่า มันมันอาศัยเอานด่นนำนำตามคนว่าแต่เด่นที่นำตามมาเยอะังบัแมนน่แนงส ก, ก็ได้อา จ, จัยแนงก็ได้มีคนสมัยตะ ก, ก้อนคนคนคำนวณคํานึงดูกิริยาทา่าทางมารยานัฐาอานลักษณะจิตใจของคนคํานวณที่ซื้อ อ, อเพราะเห็นเวน ร, รคําเพิ่งคํานวณเอาที่ซื้อบัได้เห็นจริงเนาะ เอออีตาคนนี้บอกบุเสื้อฟังอาจทิเป็นอย่างสันจังซีเดออเมื่ออื่นเมื่อหี้เนี่ยหรือปีนี้ปีหน้ า, นานเนี่ยมันอาจที่คาของมันอาจทีเป็นอังสันเนิร์เพื่อนสอนอย่างสันดังนั้นคนเราเดี๋ยวนี้เสื้อน้อยบุเสื้อลายเห็นอยู่แล้วได้เดียวนี้บ้านเฮาเมืองเฮาในประเทศของเฮานี้ลูกค้าพอข้าแม่ก็มีจํานวนมากบุ้งมันน้อยเด้ ฆ่าโดยเอาข้อนไปตีเอาปืนไปยิงเอาไม้ผ้าไปฟันของกันกระมีฆ่าโดยทําให้พ่อแม่เสียอกเสียใจกระมีนี่ให้ห้องห้อจักว่าการฆ่าพอฆ่าแม่มันหลายอย่างทําให้พ่อแม่เสียอกเสียใจเพิ่งกวะว่าฆ่าพอฆ่าแม่ทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์หนึน่ลูกทําความสั้เนี่พ่อแม่เสียใจร้ายเป็นวันกันโซตายสะแล้วดีกว่าสิน ลงเหอนไปใครมีคนเวมาเลื่อนลูกเฮาโบดีบบงามเมื่อนั่งกะวายตื้นทุกข์อีกตื้นเมื่อน่าลงเหินไปอีตื้นมีคนเมาเรื่องลูกโบดีก็ทุกอีกตื้นคเนเมาว่ามันตายจากกักรดีละมันทุกข์เท่าเดียวกันเรื่องจากข่วมทุกนี่เนี่ยคนสอนพระพุทธเจ้าว่าอันนี้นะเฮาเข้าใจว่าทำบุญหาพอหาเมเฮาทำบัณบุญให้ลูกให้ผัวเฮาผู้ตายแล้วก็คือกันผู้ใดคือกันเนียว่าอยู่เดียวนี้ี่ การทำบุญนั้นพ้นว่าทำให้มันถูกใจยั่งทุกกิเลสให้มันทูกสติปัญญาพ้นวันคำว่าพระอรหันนั้นก็ บ, บม่ได้หมายถึงตั้งแต่ว่าผู้ดำดินบินบนหอเหิะเดิน่วงอย่างเดียวให้เข้าใจว่าพระอรหันนั้นอยู่ที่ใดแทนยืนําทุกคนนี่นะพระอรหันเป็นมัทุกคนเหาเข้าไปที่มืดเหาบ่ามีไฟ กมืดบุญไม่คิดมาอย่างกมือดอยู่ขนาะอยู่ในถ้าเขาเข้าไปในถ้าเด๋ยวนี้เขาอยู่ในถ้าอยู่ในที่มืดเขาบุมีแสงสว่างเพราะบุมีคนร้องให้เขาฟังเขาไปซื้อตั้งแต่ตัวหนังสือเขียนไว้ฟุ้นในตํารับตาําราคุณครูบาจักรเฮียนซืบโต้กันมาทางสันนะว่าสู้กันฟังมาทางสันความจริงนั้นไหนมาจยางไงหนเขาเฮ็ดมาอย่างไน ทำบุญบ้างไฟทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาทำบุญเลือกสันดอนเฮากระว่าเฮาให้บุญ ก, กินเล้าเล่นการพนนั้นข้า ง, งัวข้าควยกันเฮาก็ว่าเฮาให้บุญอยู่อันนั้นผิดนี่ผิดข้อห้ามของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วได้หนึ่งบุญม่พระพุทธเจ้า ว, ว่าได้เนี่ยเป็นการวิวัตรพัฒนาเป็นว่า ผิดเราแก้เป็นวันเป็นเดืเป็นิ่ผิดเราแก้ได้เรื่องนี้น่อยคนตาตั้งขึ้นมาเรื่องศีลนี่ก็ได้คนบ่มีศีลนี่ยู่ด้วยกันมันลําบากเป็นวันเขาบอเอิ้นว่าศีลเขาว่าทำบุญดีันแต่เขามีศีลสี่ใจก่อนบ่มีศีลห้าพออนี่ยพอว่าให้ฟังศีลสี่นั่นคือว่าเขาบอว่าเรื่องป่านาคาสันเขาว่ายลักคลองกันเขาบเอื้นศีล มีคนจํานวนหนึ่งอยู่ผู้เดียวมันอยู่บ่อใดมันต้องมาอยู่หลายคนจํานวนสิบคนก็นตาม้างคนว่ามายุ่งํากันแล้วมันทําบุตรีบุตีก็เลยตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเลยไปเดียวอา้าวเขายุ่งํากันเนี่ยหนึ่งอย่าหลักองกันสองอย่าสู้ไปคมเหงติ่งร้ายลูกเมียกันคนว่าสามอย่าสู้ตัวกันสี่บอกให้กินเครื่องดองของเมา เขาห้ามกันทสนถ้าหากผู้ใดผิดที่ข้อนี้ไล่นี้บวให้อยู่หน้นมูอมีผู้ใดผู้นึงเกิดขี้คานขึ้นรักกินของหมู่เขาไล่หนี้อยู่ผู้เดียวบวกได้พอเดีไล่นี้ออกไปแล้วข่มผิดพลาดได้ไปอยู่ผู้เดียวเขาไอยู่บวกได้แล้วยานพ่อคนอยู่ผู้เดียวนี่อยู่ก็เลยมาหาหมูอลักคนผิดขเขาก็เอืนนะ้อนหน้ากฎหมายละหูโทษบ้านเขาอั น, นั้นเขาว่าเอื้อนข่มผิดพลาด ร, รับสารภาพบอห์เฮ็ดบอทำขออยู่หนุมู่นนําเพื่อนต่อไปโมก็ให้อภัยมาอยู่อีกตื้มผู้ที่สองแบบ น, นี้อยากแห้งอยากกะเฮ็ดบพว่าลูกไผ่เมียไผโบกเห็นว่าผิดถูกผิดอกผิดใจกันเขาก็ไล่หนีอีกตื้มในม่หนีอกต้มไปหนีหนีไปอยู่ผู้เดียวไปอยู่ผู้เดียวอยู่บ่ได้อีกตื้มกลับมารับสรารภาพหนุมูลอีกตื้มยังไงเขาบ่กเออผมผิดพลาด เมื่อจขมพิแล้วหลับแก้โรธเขาขัหลับเขาเขาบอออกไปติดคุกติดตารางเพราะมันบ่มีคุกบ่มีตารางในแต่ก่อนและอีกซติมคนนึงคิดตัวแบ เ, เนี้ตัวว่าไปหันมานี่เห็นอันนั้นอันนี้มุ่งไปเบิ้งก็เลยไลนนี้อีกซติมอีตาคนนี้ก็เลยอันนี้แหละครับว่าคขมผิษผาดคขมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิษคุณโบราณคุนสอนเอาสั <กะ S 2> ้นๆก็เลยหลับ รับพระเจ้าก็ให้อภัยเขาเคยเห็นเส้นกฎหมายพ่อแม่ปุยยาตาโทษเขาว่ากฎหมายเราหูโทษให้อภัยพอสุบัติสุมาสเขาว่ากันอันนั้นเดือนนี้ผู้ปิดอันเสด็นี้ขึ้นศาลคำนันผู้เยี่บ้านเอากฎหมายมาว่ากันโลดเป็กท่านเขาก็ให้อภัยมาต่อมาพากันไปทํามาหากินไปพบเอาน้าดอกยุนนากระโลกใหม่ พากักินกินแล้วก็เลยเสียเสียการเสียงานหากันกินน้ําก็เลยมาตกลงกันเออเลิกน้ำอันนี้บุกินเป็นพิษเป็นภัยก็เลยเลิกกันเพออนอนเออดื่มน้าเมาเครื่องดอกมของมาทุกประเทศพ่อย่าพอหาแต่เพิ่นกันยังกินอยู่กินเ้าแม่เน่าพ่อก็เห็นอยู่ในเ่ยพ่อเห็นต้มแล้าให้พอกิน นี่คันไปคาไป ข, ขายไปให้มันนี่ยมา<น>กองเล่าไว้รอกกันๆลอกปุกๆเนา่นเอาไวใ้ให้ลูกให้ผัวกินเนี่ยซื้อว่าเวาซื้อซื้อคนบูฮู้จักคนบูฮู้จักนั้นเพผมว่าคนอวดดีไอ้สินคนอวดดีเว้าซื้อซื้ อ, อ, อ, อคนมีดีแล้วเอามาเว้าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งคนอวดดีเว้าอย่างหนึ่งคนนั่นคืนอว่าคำว่าพระอรหันต์เนี่เขาเข้าใจจริงๆเขาสิบุกเข้าใจว่าพระอรหันต์คือหยังอยู่ที่ดใดไอสินเขาบูฮู้จัก เงียพอมาพิจารณาตัวเองต่อเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี่แหละเงียพอเข้าใจอคนนี่มันดีซื่ อ, อ, อดีเด้มันบอกเข้าใจเป็นเงีออยเกิดมานี่มันขาดทุนหรือมันได้กําไรทําบุญมาได้เงียพอโมเงียบพออันนี่โมเนี่ยเอาเขียนในจีนหู้จักดีเงียพอกัคนบ้านผสมนี่หลายคนคนที่ยังพึ่งตายด้วยรุ่นอายรุนพีน เนี่ยพ่อเป็นคนนักทำบุญไปหันมานี่มีพี่น้องถามหาเนี่ยพอ่อบุแม่พี่แม่น้องไม่อย่างดอกหมู่เนี่ยแต่เอนอี่ยพ่อเป็นคนไปดีมาดีซื้อสัสตว์ต่อพี่ต่อน้องมาก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้นพีซื้อเงี้พี่น้องกระซังถ้าหากโมดีแล้วเพิ่งกะว่าว่าน้ามันกนลำลําบ้าเลยว่ะบันนี้คนอื่นบันเนี่ยบันนอบกอันนี้ว่ามันดีแนะ่อันนั่งคดีอยู่หักบมดี ดีอย่างนึงบอดีอย่างนึงพี่น้องนี่ทังจิตหักจิตสั่งกันก็นกนตามสร้างอะไรตวนียังมงีโอกาสที่จะแก้ไขกันได้คนอื่นนี่ถ้าหักผิดใจกันแล้วแก้ไขก็ขได้เหมืนกนแล้วคนบูราณทานหนึ่งสอนเอาไว้ไม่อยู่ป้าเป็นยาไทคูนาเป็นพี่น้องอะไรตัวนี้นี่อันนี้ก็สสำคัญอยู่ในไม่อยู่ป้าเป็นยาไทกูนาเป็นพี่น้อง ก, ก็หมายถึงคนอื่นมือนบัด น, นี้ ถึงจะเป็นซัดเสื้อสก็ต่ำแซวสันคือเสืออยู่ในป่านี่เป็นว่าเป็นซัดเป็นเสื้อกันคือเสื้ออยู่ใ น, น, น ป, นาปนนออใน่านี่เข้าไปมอโบได้มีที่จิ ก, กัดทิ ก, กินกันนะ <Yeah. S 1> คนโบราณท่านสอนเอาไว้ท่้นทถ้าหากว่าเป็นคนอื่นกแซวสันถ้าหากเอื้อเฟื่องสันเนื่อเนื้อยอยู่ในทีงเราเป็นว่าขั้นท่าเอาใจใส่แนะนําทำอนในทางที่ดีเป็นว่าแต่ก็ดีอยู่ มีบทหนึง่งพูว่าพ่อแม่อ้าย น, น, น้องกันมีเหงือนกันกับเอาไม้ฝันเอาไม้คิดน้ำเรื่องพาฝันน้ำมันบกข า, าดอันนี้ก็ให้เขาคิดเอาไว้เรื่องการทำบุญเมือนีนะถ้าหากเขาบุคคดทังซีแล้วเขาที่ทำไปตามประเพณีซื้อถ้าห่างบาอ้ายน้องเขาทุกต้องค้องกันแล้วพ่อแม่เขาก็สบายใจโตเขานี่แหี่ยสบายใจ ถ้าพ่อแม่ไอ้น้องเฮาฮักบูดุกต้องคองกันแล้วสิโตเฮานี่แหละอยู่ยากพ่อแม่เฮาก็อยู่ยากอันนี้ซื่อการทำบุญให้พ่อให้แม่เฮาให้เฮาเข้าใจทังสันผู้ตายประเด้งก็ตายไปแล้วแต่ผู้ยังอยู่นี่ตีบดีเฮาได้เนื้อได้น่งได้แข้งได้ขามาแต้ใสได้มาจากพ่อจากแม่เฮาพ่อแม่เฮาตายแล้วเฮาจะให้ยังไงที่จะแก้ไขปัญหาที่เฮามันบูดีนั้น คนจะบอกความผิดพลาดอันนั้นต้องแก้สมมุติวราอีตาคนนี้จนบอกอย่าเหตุยังซันยังซีมันบนุดีก็เลิกแล้วมาตั้งหน้าตั้ง ต, งตาหาอยู่หากินให้มันยุ่เย็นเป็นสุขเมื่อเฮายุ่เย็นเป็นสุขแล้วเขาก็สบายใจความสบายใจนั้นนหละเป็นบุญคันหากว่าเขาทุกอยู่นั้นไม่มีความสบายใจเหตุบุญจนหมดเมื่อหมดตัวก็ต่างอย่าพอไปเทศหาใหญ่ มีคนมาถามฉันทำบุญกองกระทินหลายกองแล้วแล้วก็สร้างโบสถ์หลายลูกแล้วบวชนาคก็หลายคนแล้วฉันได้บุญบ่ฉันคนบ่มีบุญมาชี้เห็นบุญบ่คนบ่มู้จักบุญที่เอาบุญได้บ่เพราว่าคนอื่นได้เนี่ยพอในพุนมมไม่ออกไม่เปลียนมุอย่าพอในจู้จักว่าผมสร้างโบสถ์บ้านอุบงมันบ่เออยังบ่มู้จักว่าไม่บุญอยู่นะ เจ้าของตายแล้วที่เอาหน้บุญเนาะสันบุญคือดีใจซื่อนี่นะเฮ็ดแล้วมันดีใจซื่ออันกลมดีใจนั่นแหละบุญให้เอาจากว่าวเอาเฮ็ดย่างลงไปแล้วดีใจซื่อใจอันนั้นแหละบุญนะเฮ็ดย่างหมดเนืน้อหมดตัวไปแล้วบมเมนต์บุญนะบาปแล้วนั้นจบแล้วบาปนั้ น, นออมันเป็นซื่อของคมทุกซื่อมันเป็นซื่อของคนยากคนจนนั่นอเคนเรื่อาบาป คนเฮกยังไปแล้วบ่มีคนตนําหนิติติดยินทานั้นเพราะว่าบุญมันมันคนสบายใจมันเป็นซื้อของขวบุ่มีทุกคนซื้อนี่บุญเข้าใจไปแล้วสิเนี่ยพอเมื่ออายุสี่สิบหกปีเนี่ยพออบุญ น, นี่มันอยู่งใกล้ๆดิเด้เกิดมาแล้วแข้งขาหน้าตามือเทา้าบ่เป็นคนบ้าไบบ่บเป็นคนมีคนจริตโก้มันบุญแล้วเด้้ยนี้แต่เจ้าของกีเฮ็กซัวด้วยกี่เฮก ด, ดีต่อไปอีกเติม ถ้าเจ้าของกีเหตุซวยนะพันาขาดผลบูมุจักการแก้ไขตัวเองพันถ้าเจ้าของกีเหตดีนะพันวาได้กําไรคล้ายๆคือเอามาค้าขายดังนั้นจึงว่าเอามาเล่าสู่ฟังผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานอาชิบานีได้หลายคนหรลิจิบอมานีได้หลายคนกบูมุจักเนีก็จําจบูได้ดิลูกลูกหลานหลานลูกลุงหุนกนนี่ยเนี่ยว่าทุกคนที่มานี่ ให้เข้าใจเอาไวการทำบุญหาพ่อหาแม่เอานั้นให้ฮู้จักว่าเฮาต้องพยายามฟวมผิดพลาดมานั้นต้องแก้อย่าสวาดัำลงไปตืมโบแม่ถ้าหากเฮาบอกแก้อันนี้แล้วพ่อแม่เป็นทุกข์ดพ่อแม่เฮาอยู่ใส่ ย, ยกระโตเฮานี่แหลวแทนพ่อแม่เฮาบนว่าหมดแ ด, ดงไตหกบงมันเวียนก็นอยู่โบเสือ้อไขยนี้ ลองคิดบ้างได้ม no like ูอเข่าเจ้าสมมุติว่าลูกหมูอเจ้าเนี่ยบุตันตายเพ้าเขาผิดคันมูโนวนี้แล้วมูอเจ้าจิตสบายใจบ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่บัดนี้ลูกเจ้าทุกบัเนี่ยเจ้าจิตสบายใจบ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ลงเฮือนไปมีเจ้คนว่าพื้นลูกเจ้าบุดีเจ้าสบายใจบ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพอว่าบ่มีเจ้าพ่อแม่นี่รักลูกเหมือนลูกตาเป็นวันสมมุติเอานี้เนี่ยพอวานี ลูกคนเดียวพ่อแม่สองคนเกิดมาตาบอดแล้วมีผู้มีหูทิพตาทิพกะว่าได้ผู้จีวะเสนกว่าได้แล้วมาโอ้อิตาคนนี้เนี่ยรูปร่างสวยงามดีเสียหลังตั้งแต่ว่าตาบอดถ้าหากได้ตามาได้สองตานีม่มาอิตาคนนี้ที่เป็นเศรษฐีมีฮังเป็นเจ้าฟ้ามาหาศัศรรย์พ่อแม่นีรับรองลดบปเดียวต้องเอาตาเจ้าหนึ่ง เขาตาค่อยลูกนึ่ใส่ตารถพ่อแม่เสียสละได้ปันนะ่นลูกนี่โบยอมเสียดสลาให้พ่อให้แม่เพราะอย่างพ่อแม่ว่าโบได้เดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้มันเป็นอะไรตอนนี้บ้านเมืองมันเจริญในเดือวนี้นี่ความเจริญนั่นแหละมาทําให้จิตใจคนเสื่อมคนฆาดจักสินจกักทํา่าดจักข่มเขาล้มนั่ถือพ่อแม่สมัยนี้เนีย่ยพ่อไปเห็นหลายบ้านหลายเมือง นความเจริญนี่มันทําให้จิตใจคนตกต่ําบ่ว่าแต่มันเจริญมันที่เจริญยังได้เจริญยูถนนหนทางวัตถุเงินทองเจริญยูแต่ จ, จิตใจมันเสื่อมเฮาเห็นกัน ง, ง่ายๆอื่นหยาพ้อมาทางบ้านหมู่บ้านปักสมบ้านสง่าบ้านคุภัไปแถวนี้อย่าพ้อโบขยิบถือเขาจักเถื่อนย่างไปมีแต่คนเอินใส่หยาพ้อ มึงกินข้าวแล้วบอกผ่านมันพูดเขาพูกแก่ปรเดี๋ยวขันซ้าอ่านไปเดียก่อ น, ม า, น, นมาแม่มู่งีรื่องเือกอากา่เอาอยแต่ระขาเจ้าจื่ออ้นกินข้าววันเดียวนี้นนนบโบได้เดี๋ยวนี้ไปต้องมีสตางค์ไอนองกันกับโบเอิ้นกันกินข้นขาวเดี๋ยวนี้ซื้อกันจินแล้วไม่จตใจเจริญหรือจีใจตกต่ำ ม, มีซีนมีธรรมหนักกันเอาของวางไว้ใส่บโบได อันนี้มันทุกข์แล้วดิบ้านเมืองเขาจีเจริญบ้านเมืองเจริญยุ่เงินทองถนนหนทางเจริญจิตใจมันต่ำนี่แหละเขาจีเห็นผิดเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นปกุกจักเป็นดอกบวกัวเขาไม่ค่อย่าอย่างพอวา่าฟังอย่างนั้นต้องแก้ไขพวกเขาแต่คนอื่นบวกแก้ไขกับทำต่างถ้าหากเขาเข้าใจอย่างซี้แล้วอ้ายน้องเขาพยายามปรับปรุงกันเป็นว่าเสื้อสาด ตระกุลของเขาต้องพยายามทําความเข้าใจกันถ้าหากเขา b o t h a ความเข้าใจกันที่เดือดร้อนนี้จะ ท, ทาบุญยังคงยังเดือดร้ อ, ดอนนี้การทําบุญหาผู้ตายดันให้ผู้หยังอยู่ดี้ได้สบายใจมันผู้ตายเนี่ยโอยตายแล้วเดีเอาไปจุดไฟกระบกหองมาโอ้ยห้อนแล้วสุกระบอกวานีเอาไปสั่งดินเอาขี้ดินกบนากระอ้อยหายใจฟืดด้วยสุกระบอกวานเลยมีแต่เขายังมีชีวิตอยู่นี้ได้ว่ามันทุกข์มันสุขอะ อันโตว่าทุกว่าสุนั่งกรบนเป็เสื้อเม่นนั่งเม่หนังนี่เลยโตจิตใจต่างหากเลยเนี่พอเข้าใจว่าจิตใจต่างหากอันโตเนื้อหนังแข้งขามือเท้านีแทธอันนี้มันเป็นวัตถุธาตุชนิดหนึ่งเพิ่นจะว่าหันห้าหันสี่หันหนึ่งว่าสันเขาสวดมนต์เขาทำวัดหันห้าหันน่ะสันหันสี่หันน่ะสันหันเดียวหันหนึงน่ะสัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาโสงสารกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบไ ny วันนีอันนี้แหละพระอรหันต์พระหูจังซีถ้าหูจังซีกบาลซื้อๆเนี่ยขันห้าก็ได้แก่เนี่ยกะรูปคนว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้เพื่อนขันห้าอันนี้ ขันซี่แบบนี่้พอนูปนี่ทิ้งแล้วตายแล้วลูกเวทนาขันแบะบะนะบีบอกว่ารูปขั น, เ, นเวทนาขันสัญญาขันสั่งขานขันวิญญาณขันวิญญาณเพนเมื่อนมารูบ้บทไม่วิญญาณตายแล้วไปเกิดเสียนที่นี้เถอะอันนั้นวิญญาณของผามพุนนี้บทไม่วิญญาณของพระพุทธเจ้าเด้วิญญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยวิญญาณไปว่ารูเด้หรือว่าจัไดายหูนเนี่ยมาบุญนวน อาจารย์เห็นเจ้าว่าวิญงานไปว่าอย่ญญางเดียนไปว่าตายผมเนี่ยก็วิญญานไปว่ารู้อยู่แล้วนะแล้วเขาเนี่ยไปเข้าใจอย่งางซันอยู่อย่างว่าอันนี้แสดงว่าเขานี่บอกเขาใจว่าเป็นซื้อปัญญารอบรู้เนี่ยปัญญากับเป็นปัญญาที่ใดอีกตื้มเหมันเนี่ยบินงกับปัญญานี่ก็ขายขายกันเพื่ออย่างให้เจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญามันเกิดขึ้นในแทเพ่นยังว่าเอิ้นว่าวิปัสนาต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเบันเนขันขันเดียวเนี่ยลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยคนเนี่ยกระตุ้นคุ้มคิดนั่นแหละนี่ขัดขันเดียวโบเอาเวทนาโบาเอาสัญญาบบเอาสังขารเนี่ยเอาวิญญาณกําลังท่องเที่ยวตัวทุกข์ในตัวนั้นพญาว่าให้รู้จักทุกข์ต้องย้ําสอนนอนทีเดียวพี่วอลให้ฟังง่ายๆได้ไหม ทุกําหนดรู้สมุทัยสิ่งต้องละสิ่งมักต้องเจริญสิ่งนี่โลดทําให้แจ้งสัน่นผู้ที่เรียนหนังสือต้องจําได้สมักต้องเจริญมักมักคื อ, อยุสัยสิ่งยศมักก็คือให้เขารู้สึกตัวนี่แล้วเขาบรู้สึกตัวเขาได้เขาคิดไปแล้วเขาบรู้สมุทัยต้องละเนี่ยกระตัวคิดทั้งนตัวสมุทยัยนกเขาเข้าใจอย่างสิ เตุว่าเสี่ยงกระทำสร้างเนี่ยพบุเสือคห น, นั่นเอตั้งแต่อายุสี่สิบหกปีมานี่ยพบุเสือเป็นมิตรเศรษีก็เป็นกระทำสร้างแล้วเรื่องสมมติเนี่ยพอรู้จักดีเน่ยพอรู้จักแต่ก็อยี่าพอรู้จักทุกจำนวนทุกข้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดมาแล้วมันทุกข์เฮายังไปเอาทุกข์มาอีกทีนี่เคลื่อนไหวกินข้าวกินน้ํากับอะไรเนี่ยไปกินเหล้าอีกทีนี่เนี่ยไปโอ้ยให้มา สิ่งที่ผิดในหน้าเขจากทุกคนแ่เพรเอินขุมผิดทาตต้องแก้ไปเนอะขุมผิดเป็นขูแต่อย่าทําผิดันะสันมมุทัยทําให้ทุกเกิดอะไรเนอ่ยยึดสตัวสมุทัยก็โตคิดท่านอะเนี่ตัวสมุทัยสมุทัยต้องละกันเลยขณะมันคิดไปแล้วเขาบ่เห็นเขาบ่หูมันก็คิดไปหักคิดไปสังคิดไปอยากได้อันนั้นคิดไปอยากได้เนี่ยอันนั้นและมันคิดไปแล้วมันพ้นมันอ้อมหมา ย้อนเขาบุญเขจักมันก็นำทุกไม้เขาเสีนหมดถึงมาทุกประเด็นใครกำหนดรู้ประเด็นพราะเขาเฮ็ดไปนน้ามันหันแล้วสมุทัยต้องละประเนเขาบวยเฮ็ดมาจิละได้บทมันก็คิดไปบางคนนอนเม่หลับเป็นบ้าก็มีเลียนมากมางบางคนมีเงินหลายหลายฆ่ากันเอาปืนไปฆ่ากันก็มีจ้างเขาไปฆ่ากันก็มีเนี่ยก็เพราะตัวคิดตัวสมุทัยนี่แหละ ทำให้เขาทุกเดือนนี้เมื่อใดเขาจีบหัวจักมีเมื่อทุกคนอันนี้มักต้องเจริญอะไรบุยเห็นจักรเถื่อเห็นการเคลื่อนกันไว้บุยเห็นจักเถือเหจิตใจนึกคิดเนี่รถทําให้แจ้งตกลทำให้มันเห็นตัวคิดนี่แหละให้มันเห็นอยู่ทุกขณะจิตนี่แหละเพิ่นสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสอนง่ายๆนะขันว่า ง, ง่ายแต่บอโอ้ ย, บางงายแบบง่ายเป็นวะเนี่ยขันว่า ง, ง่ายให้ฟังเน้่มันบุหัวจักคน ยังมาคนอยู่ไหนสีมืดบอกว่าจุดไฟได้แม่ท่นจุดบวเป็นท่านสมมุติเอาคือยังสลานี่เขาคนบ่ชเคยใส่ไฟฟ้ามีไฟฟ้าอยู่เมื่อแลมาไปเปิดไฟไหมมันก็นแล่นไปจับลอดไฟพุมม่มันตีเขาจักไม่ยังมูนจนตายแล้วไฟบนหนีอยู่่นเบนว่าแม่ส ม, มุทรฐานของไฟได้นั่นมันเป็นเพียงความสว่างอันนั้นหนึ่งหนึ่งต่างคนสลานบนเนี่ยไปเปิดสวิทช์ไฟดูสิ เด็กน้อยกระามสร้างกเหมือนเคยมันบวไปจับลอดทุนแล้วมันขยิไปจับสลีกดปั๊บไปมันแรงไปขังข่มสว่างเด็กคุณอันเฮานี่ก็คือกันคนมีปัญญาบอกแล้วก็ฝังเข้าใจโลดคนบวมีปัญญามันกระ บ, บหุู้จักแล้วก็ว่าวป้ายสพัเพเทเหราแผงเสะ น, นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าพูดสอนคืนว่าให้รู้จักอริยสัจสี่สุภสมุทยัยดีโลดมากซี่ห้อตัวนี้เด้ผมจะสอน เป็นหัวใจของพุทธศาสนาพันวาอยงตั้งเป็นใจกลางของพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ใสตัวศาสนาก็เฮาก็ได้เจริญกันเลยนะก็โตคนทุกคนในตัวศาสนาโตพุทธศาสนาคือโตรู้นั่นแหะเนี่ยโตสติปัญญาโตคิดเห็ุนั่นแหละเนี่ยอันนี้แหละพันวาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจเพันเห็นตัวนี้แเราจะเห็นอยู่ใสตืมลึกเข้าไปเห็นถีเสมอหนเห็นเทวดาเสมอเหมน ผียืดสายผีกับการทําซัวพูซัวคิดซัวสินเขาเคยว่ากันเนี่ยบักผีอีผีเนี่ยเขาว่ากันทํำบ่ดีเนี่ยเนี่ยเขาบ่ามีตาทิพมันจีเห็นบอกเขาเดิไปซั่อว่าผีอยู่ในป้าพุ่นมาทําให้เขาเจ็บหัวปวดท้องผีมันดีบอกมึงปลุกเงือยยืเป็นบ่มันปลูกยืดบ่เป็นซ้าเขาเออกหมูออกไก่ไปให้กินมึงจี้กินเป็นบ่มันกินบ่เป็นซ้ำํำว่าผีกินอายคนบาลตอน มันเป็ น, นอะไรสัญญนนิยมความจริงเขาบูฮู้จักซื่อนี่เด้อเทวดายุใส่สันยุใส่หูมูฮู้จักของกระดาเทวดาไปไหว้วนเทวดาคือนคนใจดีพูดดีนา่ายิ้มแย้มแจ่มใส่ในี่ซื่อนี่ของก็ะวานโอ้ยตาอันนี้อีนาอันนี้งามคือเทวดาดนี่พอจะคือซื่อนี่ได้เขาบูเห็นจริงเพราะเขาบูมีตาเทพ ให้เขาเข้าใจมาทำบุญหาพ่อหาแม่เขาให้เขาเข้าใจเตะถ้าเขาบอกเข้าใจแล้วเขาจีเฮ็ดไปเสนอตามประเทศีก็ดียูอันนั้นก็เนี่ยพอกระบวา่าพระบุตรดีก็ได้แต่มันดีน้อยมันก็ไม่ดีหลายถ้าหากยังมันดีจริงๆแล้วเขาต้องให้มันถูกกันภายน้องพ่อแม่เขาจะบุญตายที่อยาให้คนเสีย อ, อกเสียใจคนเมายัางก็ให้อภัยคนเด แม่ลูกตั้งสามคนสี่ค น, คนพ่อแม่สองคนเลี้ยงได้บัดนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกมาได้ตั้งเก้าคนสิบคนพ่อแม่อย่างคนเดียวนึงลูกตั้งเข้าคนสิบคนเลี้ยงบาได้ก็มีเลเนี่ยพ่อไปเห็นกัได้ไหมเนี่ยพ่อไปเลี้ยงจันลูกห้าคนทําบุญให้แม่ทำบุญต่ออายุพ่อตายแล้ว เนี่ยพ่อผู้หนึ่งอีกคนไปสวดค่ะเจ้าแม่ได้อายุเจ็ดสิบปีก่ะเจ้าพาไปเจ็ดองค์ไปสวดทำบุญพระธาต ส, สายเอาไม่เก้าคำเก็าขอคื อ, อเอาเทสนี่แหละทำบุญต่ออายุให้แม่สิบันนี้ทำบุญแล้วก็เลยสวดกันเพื่อนก็นเอาหนังสือไม้เทศเทศพร้อมกันโหลดเนี่ยพ่อโบเทศหะหกองค์กับเทศแล้วประด็นเนยพ่อของมันมู้จักธรรมะได้พอสมควรเลยนะเนี่ยเจ้ากระโวให้กันเลย แม่คนเขาเจ้าก็ใจดีอยู่บวัวให้ให้กันอิตาคนนี้บูเทศจะพอนี่ยบูเทศแดี๋ยวพาหองค์เทศเขาเจ้ากับถวายกันหกองบัด น, นี้พอดีพาหกองค์ไปแล้วเนี่ยก็ก็กถามโม่เจ้าทําบุญให้แม่เจ้านี่มีความหมายอย่างไรเขาเจ้าก็ว้าให้ฟังตามเรื่องคือหอาเทสกันนั่นเนี่ยบุแม่นอันนเพื่น ส, นส่วนเมื่อกี้นี่เป็นภาษาบาลีเจ้าจําได้บัวหัวจักว่านน้ำโมตตะกับบัวหัวจักบ้านหย่างกับบัวหัวจักนี่แหละ แม่เจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนอะไรเจ้ามาเยี่ยมแม่เจ้าจากเธอบอกกันนานๆไม่ค่อยมาอาบน้ำคนที่อยู่ไข่ก็ต้องมาสู้มือผู้ที่อยู่นามิีนกลับก็ต้องอยู่นาสู้มือหักสั่งแม่ได้บางทีสั่งพ่อกับมี้แม่บอกเป็นทางสันนิว่าบุตรทุกใจก็สั่งกับนี้พ่อแม่เป็นทางสันนลูกนี่ก็เลยวางข้าเจ้าอย่าให้ทางสันนิษฐยู่ไข่ก็ต้องมาพ่อแม่เจ้าเลี้ยงเจ้าได้บัดนี้เมียเจ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้ายังวางของไปได้เอาเมียเจ้าไปหลบปัาบาล แม่แท้แท้พ่อแท้แท้เจ้ามาเบื้งบบได้บอกเป็นอย่างที่มาโบได้มันหักโบได้ามามขาขาขันขานนี่กันจะวันว่ากันไปกันมาหลายคนแล้ววันนี้อย่างอว่าให้อธิบายหลายเรื่องบอกให้กาบแม่ลูกผู้หญิงสามคนผู้สายสองคนผู้สายโบ ก, กาดลูกผู้หญิงกาดบอกพราครั้งที่ศาลนี่อย่าพราะกระดิเสงรน ถ้าหักบกวกาบแม่ฮูนี่ตายไปแล้วมันตกนรกหมกไหมย้ายมันมาเกิดเป็นคนให้มันเกิดเป็นสัตว์ในสารเป็นหมู่เป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยพ่อวางเอากาบไปเนี่ยกาบเนี่ยพ่อกาบนํากาบพุ่มแม่นำกาบแดนน้ําตาแม่ก็ได้ยิ้มออกมาหลุดมันเกิดปีตีนำตาจกออกมาบ่เคยเห็นพระมากาบจากเธอเอาไปเปาวานเนี่ยพ่อผ่ากาบกาบมัดตุกุนห้าคน บนแม่งเนี่นยพ่อกราบไม่ออกดอกไม่ออกเนี่าพ่อทำดีให้เบิ้งที่ซื่อนนี่แหละกล้าตนเองให้เป็นไหวตนเองให้เป็นคนมันบวกกล้าตนเองมันบกวกไหวตนเองน้ำตาออกมานี่ดีใจหลายลูกกล้าบอันนี้แหละทำบุญต่ออายุให้แม่หมู่เจ้าอ่ะคันหให้ท้ายพ่อแม่เสีย อ, อกเสียใจหมู่เจ้าฆ่าพอฆ่าแม่หมู่เจ้าอ่ะวาขาจ้าฟังขจงเข้ า, จ า, ขาใจหลายเรื่องเนี่ยพ่อวา อันนี้แหละทำบุญให้ผู้ตายก็คือกันนั่นแหละให้เขาเข้าใจไกลๆนิสสคอนจะไปเข้าใจเรื่องนรกใต้ดิ น, น, ะ น, นจะไปว่ามันเถือสวรรค์อย่บนฟ้าจะไปว่ามันเถื่อว่าการข่มผิดพลาดของนิสสคอนแก้ปัญหาตัว น, นี้ใมันดีขึ้นมาสกักก่อนที่นาํามาลอยให้ฟังเนี่ยหมู่เจ้ายัางนุ่มยังน้อยกันนี้ผู้นุ่มผู้น้อยก็มีลองเอาไปพิจารณาบึนดูคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ ถ้าหากผู้ใดไปใส่ได้แล้วมาเนีย่ยพอว่าจเจริญถ้าหากผู้ใดปฏิเสธอยู่เนีย่ยพอว่าจเจริญได้ง่ายถึงจเจริญยื้เงินทองก็จเจริญยื้แต่หากถุกเนี่ยถุกอย่างไดเนี่ยพอได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้นี่ละให้ว่าเดี๋ยไปคนหนึ่งอยู่จังหวัดประจวบคือที่ไม่มีเรื่องคดีฆ่ากันคือว่าจ้างกันหมืนล้านจ้างทนายควา หมื่นล้านนะ บ, บาน 1, 2, ้าน่อบ้านื่องล้านหนึ่งสองล้านหมื่นล้านนะ ม, มีเงินขนาดนั้นทุกบ้านหน่งนอนบนหลับได้หลบพุหลบภัยอยู่ได้ย่าเข่มมาค้าตัวเองอคนหนึ่งบะเนี่ยจ้างกันเจ็ดล้านสูกนนน้กันผู้หมื่นล้านกับผู้เจ็ดล้านสู้คดีกันอยู่นี่เป็นอัไรถือว่าเงินเป็นสุขดีเป็นสุขอยู่ท้าใส่เป็นมีนว่าก็ใส่สบายใจถ้ามีหลายใส่ ในทางที่ทุกกระทุกผิดทุก เ, เ, เงินเงินนี้จึงว่าทําลายจิตใจคนได้ทําให้จิตใจคนต่าได้สิ่งทำนี่แท้ทาให้จิตใจคนลาเลิงเบิกบานอยู่เสมอดังนั้นจึงว่าอยากเหาะเนตนำผักพวกเพื่อนฝูงเนตพะส่งองค์เดงก็เช่นเดียวกันถ้าหากเขาอยากดีนั้นต้องเบืง่งเห็นอยู่คนที่ซั่วกะให้เราเห็น คนที่ดีกัเฮ็ดน้องเฮ็ดอยู่คนขี้เกียจขี้คานเป็นคนจนคนคนขี้คานมันโมฮอนดีคนวะเป็นคนอับปีทุกโจนคนหายคนวะคานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนอึดคนยากเป็นคนทุกคนงากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสุกขาสารบ้านน้อยเมืองใหญ่คนวะเด็ดไปไสวัดว่าอาลามพคนวะเดือบึงตาเป็นห้าเป็นหามงามเมื่อแรงเมื่อเศ้าพระเพื่นนั่งฟันเข้าตัวคนนั่งข่อยจิ้นกัน คันทาพยนยกขาเข้าออกมาแล้วปุ๊บปุ๊บเปลบบยนฟ้าฟูฟังยังแต่โบได้หลายคือคนที่ตายเดียวแหละแม่ขุณพ่อคุนวานขจะวาให้ฟังอย่าเป็นคนเกียดานเนี่ยให้เอาขยันคันแข่งตื้นลึกลุกเศ้าจนพอแม่เนี่ยพอวา้ฟังหาอยู่หากินได้น้อยเก็บให้มากได้น้อยใส่มากบดีตึ่น บ้หุ้นอกหาอีกตึ้มกระโบ้มีอีกตึ้มหู้นอากแตะหาบ้หุ้นอกเก็บกระบ้มีอีกตื้มเงินถ้ามีเงินแล้วก็นหน้าบาดสันนี้ขันท้าโบ้มีเงินกับหน้าเศร้าคนวางคนนี้ถ้ามีเงินแล้วมีพี่มีน้องคนนี้ท้าโบ้มีเงินแล้วพี่น้องกัหมดคน น, น, นนี้นเนี่ยในสําคัญได้บนนี้อันเนี้ยคนบอกว่าฟังนี่กระโบอยากมีได้เงินมีมว่าเจ้าของใสตแต่อารมณ์เจ้าของเจ้าของบ้เคยมีอยู่แล้วนะขันอ้ายน้องพ่อแม่แนะนําตักเตือนนะเ <N> นี่ย มันเป็นอันนั่นค่บโบดีแล้วหน้าเฝ้า อ, อยู่โบสองจากเธอเลยไปขอพูดดั่กระจีให้ตัวหร้ตัวไหวมันบอกให้เธอนี้บาทหนึ่งเธอหน้าสองบาทย่อตัวโบสองเขากระจทุกย้อนคนผู้เช่นนั้นก็ป้อยไปแล้วเป่นวาจนจะไหนเป่นวานเธอจะเป็นซัดเสื้อก็เปิ้ลเสื้ออยู่ในปากหนวนั้าบ่บ่ฟังเนี่ยมันก็บป้อยมันไปทราเลยเนี่ยให้เข้าใจจริงๆเรื่องเทนี้บัด น, นี้กกไม่อยู่ป้าเป็นยาเตอคนที่แนะนำเขาเนี่ทางที่ดีนะขันบอกเขาฟังก็คือ บอกเขาฟังเขาก็เจ้ากรเว้าน้าขันบอกบอฟังเรายิ่งไก่ได้นันยิงไก่บอกเึงสองเธอบอกฟังก็ยิ่งไก่ขเจ้าจิตต้องการเขาตั้งแต็มเมื่อขจะอยากใส่เห่าหันถ้าขัเจ้าต้องการอยากใส่เห่าขันจ้ากระว่าน้าแต่เอาอันั้นอันนี้ให้ได้เมื่อได้ใส่ข้ากระว่าดีเด็กเนั้นจะซือได้ขันบาดบุได้ใส่แล้วว่าดีแต่บุได้เรื่องพี่น้องหรือพ่อเมีนี่แท้ถึงจิดตัิวไปในขณะคิดถึงกันอยู่ได้ มันมีเรื่องมันมีนิทานหลายอย่างถ้าจะนํามาเล่าสู่กันฟังอันนี้พอเนี่ยพอเราให้ฟังคนสมัยนี้บ่มีได้เรื่องมีทบมีทานมีแต่อ่านหนังสือเรื่องการ์ตูนบอกเรื่องสนุกสนานเตอรลืมเนี่ลืมเมื่อลืมตัวคนลืมตัวเนี่ยฝนว่าเอิอนคนประมาทคนประมาทเนี่เหมือนกับคนตายแด่ฝนวะคนตายเนี่ยมันบมน่ม่นตายเน่าเข้าหลนนมันทํำขมซัวมันทําซั่วพูดซั่วคิดซัวพึ้นมา คนมีชีวิตอยู่กับหมือคนตายแล้วเนี่ยเป็นว่าอย่างสั้นจว่าเขาจะเป็นคนมักลืนเนื้อลืมตัวต้องพยายามสักไฟหาคุณดีคนงามให้มีสิทธิ์มีธรรมเอามาทําบุญใหล้ลงหวัวเมื่อนี้เป็นผู้เป็นลูกเป็นหลานก็ต้องพยายามทำให้ถูกต้องคร้องกันอย่าทะเลาะผิเพี้ยงกันถ้าหากาทะเลาะผิดเพีเ้ยงกันเมื่อใดลงหัวตกนรกเมื่อ น, นั้น ลุงฮวนผู้ตายไปแล้วจนนรกอยืนแต่กับบงจะ่เขาทุกนี่แหละนรกคนอื่นน่ห่วมทุกมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีมหากษัตริย์คนหนึ่งมีลูกสายคนเดียวพอตายแล้วยังเหลือแต่แม่แม่นี่แนะนําให้ลูกเข้าวัดฟังธรรมลูกนี้บอกอย่าเข้าวัดฟังธรรมอยากไปไป่ทางอื่น บั น, นี่แม่ก็มีนโยบายเอาเจ้าไปวัดนะแม่จีให้เงินเงินทองพ่อเจ้าหาไปนี่ใสโบวิบไวแล้วไปไปเมื่อหน้าค่ะเอาเงินมาให้ไปเมื่อเส้าเมื่อแล้วเอาเงินมาให้ไปวัดกับไปแต่วัดท่านเราบได้เห็นมีอย่งไปเห็นแต่วัดเธอซื้อเพราเราบบได้สนใจมีอย่างนี้แม่ให้เงินเมื่อหน้าต่อไปให้เจ้าไปหาพระเดินไปหาพระแล้วก็ไปหาพระซื้อ เมื่อหน้าให้จะไปนั่งไปนอนกับพระเนี่ยไปนอนไปนอนกับโวกกับศิลป์นี่ยแล้วก็ไปนั่งไปนอนซืน้อเมื่อต่อไปหลายมือให้ว่าเลยเงินนั้นไสบุญอึดเด้อเงินมหาเศรษฐีเนี่ยใหจะไปฟังเทศกับพระเด้อเงินมันก็ไปฟังท่าเทศที่มันกับโวจามอมมาต่อไปหลายเทือหลายทีมันก็อยากไปบ้านนอกเมืองนาอยากไปค้าไปขายให้ได้ไปอยากไปสมประเทศอื่นในประเทศแม่หาบอกว่าอยากไปเถอะอยู่กับแม่นีนท อ, อ เพื้อฝังคนเมี้บ่อฝังที่ไปไปก็เลยจัดของสักกระเป๋าพอรอให้ฝังเป็นนิธานคำว่านิทานนี่เป็นประหลาประลาเลยจริงก็ได้ไ่จริงก็ได้ก็กเลยลุกขึ้นจับกระเป๋าแม่ก็จับกระเที่ยวผ้าไว้ซอกกระใสผู้เมีแม่ก็โลมตูมลงไปลงไปั้ พอได้จับ ก, กระเป๋าแล้วก็วิ่งแลนไปไปหอดในสะเป๋ากำลังปดสมองเอาเหือออกกำลังแก้เสื้อบ้านเฮาเดีม๋มาแก้เสือเ้อเหงอตอนเข้าเหือแล้วก็เหือกับพุ่งออกไปรถมีเครื่องจกักรพุ่งออกไปทางกลางมหาสมุทรที่ไหนหูแล้วพอดีไปถึงมหาสมุทรทะเลบนนําลึกคุณจะมองโบเห็นฟ้าเห็นแดนโบเห็นดินแล้วก็เลยสปอคเลยติด ท, ท, ที่นั่นเลยไปโบได้สมมบัด น, นี้นายสะพป๋าก็แล้ว oh. คงจะเป็นคนกาลักินีเข้ามาในเรือเราแล้วแล้ววะสิเขียนสลากให้จับคนใดเป็นกาลคกินีให้ถูกซากใบนี้คนใดบ่เป็นกาลคกินีนะครับบ่ต้องถูกเขียนซากพี่ตาคนนั้นก็จับถูกซากกาลักินีพอดีถูกซากอีกกาลคกินีแล้นวนายสเปาก็เลยให้จังไดแถเวาเว้ากันหุ่จักเรื่องขันนี้คนภาคกลางคนภาคใต้หุ่นจักเรือเขาจะบุเคยใส เฮ็ดแผลให้บ้านี้เฮ็ดแผลตัดเอาไม้นํำสะเพกนะ่ะนําเหือนอะ่ะเฮ็ดแผลให้เฮ็ดแผลให้แล้วบ น, นี้กาให้เราลงขั้นแล้วก็เอาของอยู่ของกินให้ให้เจ้ากินเขาอันนี้ไปแล้วเจ้ากิไปใสกระปแล้วขันถ้าเจ้าบอัอองนี่เหือเ ข, ข้าขี้บัไปแล้วแล้วก็ลงอิตาแล้วก็ลงแผลพอดีอิตาเนะั้นลงแผลแล้วก็สะโพก็พุ่งไปลบเดียวอิตาคนนั้นก็เลยเท้าเหือเท้าแผไปผู้เดียวแล้วแบบนี้ แคลมันก็ไหลไปผู้เดียวไปก็มองผู้เห็นกันแล้วมันไปไกลกันก็เลยได้ยินเสียงสัตว์นั้นร้องฮองอยู่ท่นมันเข้าใจว่าเป็นเสียงนนตีเสียงละนาธพัทฮองเสียงปีเสียงแคนเสียงนั้นมันม้วนหูมันมันก็เลยสี่มือมันเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลในบบบนี้ไปที่ตรงนี้กูจีไปฟังบางทู้มันเป็นเสียงมีอย่างไร่ามันม้วนหูมันแพก็ได้ไหลไปตามกระแสที่เราส่งไปนั้น ไปก็เลยไปหอตะฟังไปหอตะฟังแพมันก็เข้าไปจอดัจอดมันก็นแล่นขึ้นไปเราไปเห็นสัตว์นาลกกำลังคงจักผันหัวอยู่มันให้หมุนอยู่ศีรษะของนหัห น, ห น, หนเลือดมันย้อยออกมาเต็มเนื้อเต็มตัวอิตาคนนั่งก็เข้าใจว่าโอบางงานเทคโนทลนีเข้าใจว่าเป็นทองคำเป็นเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นหนินคุณได้บเนี้อยากประดับได้บนนี้ ท่านพุชจะเลิศท่านเสวยมาแล้วให้ผมเสวยบ้างเถอะมันเป็นอะเราเห็นผิดเป็นผูกเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นกุกจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขมันมาไกลๆเป็นวานรแต่เพ่นกว่าคนก็จิบูมหัศจักยรอกอย่างพ่อกรบโบหัศจักแต่ก่อนโอ้มันความจริงมันมีอยู่ในเฮานี่จริงๆบันี้ก็เลยย่างบัวให้เธอย่างไว้อีตาคนก็เครียดอีกเติมเลยบนเนี่ยเขาจะเอาทุกข์ให้ หนูเขาบอกให้ถุกเจ้าของฮะเครียดอีตึ้มเครียกหนี่มาจ่มมาลุกปุ๊บปัไปบนหน้าไปอตึ้มเพราะมันอยากได้หลายเดีหมดกรรมหมดเวดีตาคนนั้นก็ได้บ้าเนี้ก็ลองขึ้นมันท่านผูเน้เจริญรีบมาประดับเครื่องท่านเธอถก็แลนไปลุนอีตาคนเนี้นยแล้วก็เอากองจากออกจากหัวเจ้าของท่นก็นไปใส่หัวอีตาคนนั้นอีตึ้มกองจำกับซักก็เสียบเขาลนแล้ว เขาก็เห็นอยู่ในเหตจานณ์อยู่ในบานเอาหอกแทงหัวแต่นรกหลบไม่หมดเคลียจึงปั๊เขาก็พัดเข้าไปลบไปเดียวพันเขาก็ออกไปได้แล้วปัะเด็มันมีเกลียวเข้าไปเดะหองขึ้นแล้วโอ้ยอยท่านผู้เจริญมรรคปกครองท่านเถอนโบแมงของผมแล้วของท่านแล้วบัดนี้ครับเสเวยไปเถื่อจะแน่อันนี้แหละเห็นกงจักเป็นดอกบัวผลมา่าเห็นผิดเป็นทูกให้เห็นทุกเป็นทุกให้เห็นสุขเป็นสุขผลมา นเน่เมื่องจากบุกฝังผมพอผม่อขวบแม่บุกฝังผมคุณพี่สลาดคนสลาดนี่เขาเบิ่งเพป็นว่าคุณนางแต่ก่อนนะี่เป็นว่ามองด้วยสายตาคนนี้จิตทุกขเยจนเพิ่งอย่างขาดคะแนนไว้ก็บโบยักค่อยผิดในหมน้ะเฮาว่าอิตาคนนี้บุกค่อยดีด้วยมา ก, กับยักแมนแถวๆด้วยเพิ่นอ่านหลักศณะัาการกระทำคุณเพินพ่นว่าจั่างต่าอันนี้มาธรรมะกะับแม่ได้เนี่ยว่าให้ฟังกับแม่ได้เนี่นั่นนั่นทีว่า ให้รู้จักให้ศึกษาเรื่องจรินธรรมนี้บุค่อยพาคนไปซัวประเดองเรื่องความซัวนั้นให้ฝังตดยเหตุตัยผล ถ้าห้าคำบอกฟังโดยเหตุโดยผลในจิตใจตั้งแต่อาบนาทของตัวเองนั้นอย่าว่าเจ้าของถูกเด้คนมันเขาค้างตัวอยู่เสมอในวัดเจ้กูเนี่ยถูกกะคนอื่นผิดทั้งนั้นแน่มันเป็นอยางนั้นเองแต่เขาบอกหุ่จักด้บางทีเป็นอาจที่พู้อยู่ข้างในเนี่ยว่าแตงแต่ว่าเจ้าของเฮ็ุทุกผู้เดียวบางที่เจ้าของผิดเต็มเนื้อเต็มตัวไปแล้วคนอื่นเตือนบุได้ก็มีนะเรื่องนี้เนี่ยยังไงเจ้ามีพักมีพวกที่ดี มีมู่มีเพื่อนที่ดีช่วยกันแก้ไขได้ถ้าหักพักพวกที่ซัวแล้วแก้ไขบ่ได้เป็นจว่าเขาอาศัยผาหรือเขาอาศัยนักปา่าคนว่านักป่านั่นเขาจะไปเห็นตั้งแต่เจ้าหัวไอจัวนกับโวแมนอีตื้มอันกับแมนอยู่นคนที่บวนแล้วกรสึกอาจารย์เพลงนี่นก็ บ, บวนแล้ว ก, ก็สึกใม่ระเจ้าเนบ่เนเี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นสมมุติ่ะให้เาหู้จากสมมุติจริงๆ พระหมายถึงผู้สอนคนให้เข้าใจว่าผู้ใดสอนคนในทางที่ถูกต้องผู้อนพระพระจึงไปว่าผู้ประเสริฐพระนั่นคือผู้สอนคนคนที่เฮ็ดทิดนั่นนะไปแนะนําคําสอนผู้อื่นพระให้เข้าใจจยางสั้นเพื่อนว่าพระโซดาบันบุคคลนั้นยังมีผัวมีเมียยู่เพื่นว่าอย่างสั้นแต่หักโบตกนรกเพื่นว่าอย่างสั้นหันคนยังตกนรกอยู่นั่นเพื่อเอิ้นโบโบอิ่นว่าพระ เพื่นบน้าผ้าให้เข้าใจง่ายๆที่นี่ยพวานการทำบุญหาพ่อหาแม่เขาถ้าเฮ็ดบุญเป็นแล้วข้าหัวข้าค่วยนั้นจิบหายเด้อเงินทองมันหมดเด้ค mm hmm. ันที่จะทำบุญหาพ่อหาแม่ย่างที่เนี่ยพวาให้มูเขาไอ้สวงมูอเขาอีกแกมเนี่ยโยสู่กัรที่ทำบุญหาพ่ อ, อ, อ, พอสู่กับพินันงซื้อจากน้อยสแล้วก็เอามู่มาเจอเลยนี่ปรนานี่ อาจีดีก็เอาไปฆ่ า, าหัว่าฆ่าคุยเอาเล่ามากินลิ้นเบี้ยลินไทยแล้วเนาะว่าขาจ๊อบขจ๊ะไปตามนี่สิบางที G in, ka, จีฮ็ยตัวขุมจำเป็นเนี่ยพะว่าซื้อก็บบุงจักเนี่ยพอบุงกัจอืเนาว่าซื้อซื้อมู่อันขจ็ดนี่กะจีคิดเอาเองกับบุงกักแล้วเนี่ยพอบบได้สวนอันนี้เขาเจ้าไปหากันเลยว่าอันนี้ต้องพิมพ์หนังสือให้คนได้อ่าน คนบุได้อา่านหนังสืออ่านแต่เรหนังสือการ์ตูนหนังสือธรรมะบุได้อา่านเนื่อจะเป็นเนื้อในใจความที่มาสอนให้คนดีในบม่มีมีแต่เรื่องเท้านั้นนางนี่เรื่องคนเป็นเสือนั่นเสือนี่ไปสัน้นแล้วเรื่องเจริญในวันตะไบคนมันลุกโป้ลูกเป้ไปสั้นเลยข้าเจ้าเขียนมาให้อา่านเด็เด็กน้อยสมัยนิ่มก็อา่านหนังสือได้เด็กก็อา่านอะไรก็ติปิดไปนิว่า เอาหนังสือธรรมะมาพิมพ์แฝงแฟงขึ้นมาให้ขจาได้อ่านอา จ, จีพอสู้กันได้ถ้าหากเขาจีนไหลไปตั้งแต่โลกตั้งแต่บูเจริญนี่บุษฐนานนี่บุตเดียวเขเป็นไฟขึ้นมาดเดยมันจืไหม้ห่อเลยอันนี้แหละการทําบุญให้เข้าใจจริงๆถ้าหากบุคเข้าใจแล้วมีแต่คนมาลอกมารอเขาให้ขเขาเฮ็ดเสียเงินเสียทองเป็นร้อยเป็นพันเป็นมื่นเป็นแสนแลว้วบุได้ประโยชน์มียัง อย่าพ่อไปอยู่วัดสนแก้วคนหนึ่งมีลูกสายคนเดียวบวชสิบห้ามืออย่าพ่อว่าให้โอ้ยบวชกระได้พอออกโเป็นอย่างไม่ออกเฮ็ดบวดสมหน้าสมตาคนว่าบวชสิบห้ามือม่นเงินสามมื่นึังว่าโอ้ยสม น, นำหน้ามันเด้คื้อยู่ในใจเจ้าของก็ได้บอกบอกฝังควมมาบวชสิบห้ามือเนื้อมันเงินสามมื่นเอาเข้าวเขียวพร้อมนี่ ขายข้าวเขียวให้คนที่มีเป็นนี้ไซกระบนร้อนซ้ำบ้วดทิ้งออกไปแล้วลูกกะมันได้ประโยชน์มิ n h á งอันนั้นสันนให้เขาเข้าใจเหตุยังกันถ้าบอกเข้าใจแล้วมันพิดนานมันจิบหายญาติทดไปเอาหน้าเอาตาเอาซื้อเอาเสียงเป็นวนน้ำหยดหาไผสันคันโองคันหาดีแล้วน้ำหยดปรับนี่มันกระยูคันน้ำฝนตกจ้ากๆลมที่คันโอ่งหายพ้นมันแตกเราบวกเก็บอยู่เด้ มันจะอยู่จะนั่งคนมันหัวอยู่เลยเงินทองคือการขันบโบจักไซบันมดถ้าหูวจักไซแล้วมันเก็บอยู่ใดมีเงินแล้วก็หน้าบานพนว่าขันหมดเงินแล้วกันหน้าเศร้าเนี่ยพรอว่าพี่น้องกับบ่มีถ้ามีเงินแล้ ว, ει, วง ล, ลงเงินไปแล้วพี่น้องกับมีเนี่ยพอวัาซื้อเนี่ยมือไม่เอาไม่เพียนมือเนี่ยพอเพียนมือนี่มไม่พี่ไม่ น, อน้องไม่บนไม่ออกเนีแล้วเนี่ยพ่อไปมาดีเราคนบ้านแถวนี้หูวจักเงียพอเนี่ยพ่อเคยซื้อเคยขายเนี่ย เนี่ยขยับกับเอินว่าลูกว่าหลานว่าพี่ว่าน้องพี่น้องนี่เพราะมีเงินถ้าหากว่ามีเงินหน่าเศร้าเขาแล้วไปหาใครกับพกอยากเอินพี่เอิญ น, น้องเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้นําความจริงมาลองให้ฟังอันนี้แหละการทําบุญหาพ่อหาแม่เฮาให้เฮาหูจักอย่าสอ้อยมันบนแม่นธรรมะดอกเดินป่บาบางที่อาจจริงเน่นี่แหละพระอรหันต์ให้มองเห็นว่าโอ้พี่เกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเด้เดี๋ยวนี้นี่ให้เห็นอันนี้ ผีกัยนี้เทวดากัยนี้ถ้าอารหันต์นั่นจึงมองเห็นตัวเองอย่าไปมองเห็นคนอื่นถ้าหาักเขาดีแล้วจีมีพี่มีน้องถ้าหากซัวลงไปแล้วพี่น้องจีบบมีคิดเต้ซัวนั่นมีแต่ผีเกิดขึ้นจิตใจนี่แหละเพื่นว่ามันเป็นผีเพื่นจะมาตัวทุกข์คือตัวสมุทยัยทําให้ทุกเกิดตัวคิดนี่แหละมันพัดผิดไปเพื่อนมาเพื่อนมาขุกสมุทยัยต้องละเพื่อนมาอย่างเพื่น มักต้องจะเจริญต้องเบิงจิตเบิงใจเฮานี้นี่ลถทําให้แจ้งว่าเป็นว่าสั้นพระพุทธเจ้าคุณทำให้แจ้งคือให้หูจ้จากว่าจิตใจอันนี้มันคิดเข้าแต่ส่วนตัวเองมันแก้ปัญหาบอา่อใดเพิ่นในว่าเอิญสัตว์นรกเป็นว่าสั้นนรกมันอยู่นี่สกักกอนบุญม่อสิว่านรกอยู่ใต้ดินมันเห็นสกักอนมันเห็นดี๋ยวนี้สกกอนท้าบ่เห็นเดี๋ยวนี้นอะโอ้ยผููหันหลีกนรกบอ่อใด ที่น it, ํามาเราให้ฟังเนี่ยเข้าใจถ้าบอกเข้าใจอย่างซีแล้วเขาจีทําบุญกระจีพาดผิดเดี๋ยวนี้นี่มีแต่อยากได้บุญเมืนบมเจ้าหัวกันอยากได้บุญไอจัวกันอยากได้บุญโยมกันอยากได้บุญแล้วมีแต่พากันหาบุญยูใสบุญเนี่ยนะให้เห็นแลเอามาให้เขาจักเทื่อยงเ่าฟอเห็นแล้วให้กองบวชกองหดมู่พี่น้องเทวดาบกสมนี่ไปวัานบุหงาบนเรของหมอ ให้กองกทินไปกันห้าขอมมาลงตวงตั้งกันไปเนี่ยเลอกไปยืส่ยเฮาบเห็นเอาบุญให้กัน <c oughs> ไปหา้าของไปยืดไปหา้หาปูห้าปลาไปทั้งทียอาปลาแห้งไปแต่ซอยเฮาบุญพอเป็นอย่างนั้นแล้วบเห็นเอาบุญให้กันกักเถือ่อย่างดีกันไปเบิ่งเต็มอลลำเท่านั้นแหละกับเบิ่งแล้วก็อาปากกลับขึ้นมาหน้าแห้งคือเกาเพราะเฮาบุหินเขาจักบุญอย่างว่าบุญ น, นั้นให้เฮาสบายใจเนี่ย ไปมาหากันหน้าซื่อหน้าบาดเนี่ยคันหน้าแห้งหน้าเศ้าแล้วมันเป็นบาปอันนั้นให้เข้าใจใครสกรักคนนี่ที่เน่ยพ่อนามาเล่าให้ฟังการทําบุญหาพ่อหาแม่เหานั่นกันให้เหาถูกต้องพ้องกันผู้ใดทุกข์ใดจนก็นต้องแนะนํามึงอย่าให้จังซันมึงอย่าให้จังซีหรือเจ้าบ่าให้ย่างซันอย่างซีมันบ่ดียั่งเน่ยพ่อว่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย แม่ออกอันนั้นอายุเจ็ดปีปีเราบอกให้กราพอรกราแม่กระกาบบบตายมันกระทุกเส น, น่ห์แม่พอดีอยี่ยพาพ่อผากกราบแล้วกันหน้าบานขึ้นมาน้ําตามันก็ยิ้มออกมาน้ําตาใสๆบนนั้นตาคุณนี่เกิดปีตีนั่นแหละพันว่าปีตีในพันเอื้อต่ออายุพ่อแม่สบายใจบุญนี่เนี่ยควมสบายใจดีอกดีใจอันนั้นแหะต่ออายุให้แม่โบตายง่ายต่ออายุให้พออ่อโบตายง่าย ถ้าหักคำยั่งใดกับพ่อแม่บบว่าฟังเสียโอเคอ ย, ย่ามันตายง่ายอันตายง่ายแต่คนเอื้นข้าพ่อข้าแม่เดี๋ยวนี้บนแม่เต็มเสร็จว่าให้เสียใจซื้อเอาเปืนไปยิงก็มีนี่เฉพาะเอาปืนไปหญิงพ่อตายก็มีนี่นะ น, ะ น, น, นะนี่ขนาดนั้นหละจิตใจมันโหดร้ายป่านนั้นเลยที่นํามาลองให้ฟังเมื่อใ น, นกาหึงเติบเดไไดเนี่ยเฉพาะเก็บทองเงากลุกมจริงคันถ้าบนม่งานลุงคนนี้เฉพาะบนมาได้ เนพ่ยพอไปตรวจโรงหมอเขาอยากให้เนี่พอเข้าโรงพยาบาลเขาว่าเนี่พอนี่ถ้าหากปล่อยเอาสิจีตาย ง, ง่ายเขาจะว่าเนพ่ยพอว่านี่เขเจ็บท้องอยู่ได้นี่จะจําเป็นถ้าหากโบมากระโบได้ว่ายังว่าว่าให้ฝังซื้ อ, อ, อวันเนี่ยพอเขาที่ขับไปไวนี่นี่ขับไปเข้าโรงพยาบาลเติมเลีนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเหมาะเขานักไปคนนี้เขาต้องไปนอนโรงพยาบาลเติมเนี่ยพอ นาทีแล้วให้วไวเลยนาทีตายแล้วล่ะแต่ว่าได้มาวาให้ลูกให้ลานให้พี่ให้น้องฟังด้วยกันเพื่อตั้งตกตั้งใจมาไว้ฝังการทําบุญนั้นดีแล้วเนี่ยพอบทิํานี้ดอกแต่ให้มีปัญญาอีกเิ่มเนึงก่อนที่จะเกิดปัญญาอนนี้เนี่ยพอได้เจริญสติความรู้สึกตัวนี่น่ะเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยพอเกิดความรู้ความเห็นเขาจะยังซีมีผ่านกันอยู่ที่นี้ นิพพานนั่นคือว่าระบทสร้างข่มทุกขุมเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็รู้จักเมื่อเจ้าของที่ตายนี้แต่ทุกคนต้องแน่ที่สุดอ่าวที่ว่าลึนนิพพานให้ฟังบันนี้เพราะว่าจวนเจะเสาแล้วนิพพานนั่นคือขุมตายนิพพานนันคือขุมมุดกิเลสนิพพานนั่นคือว่าดับทุกเหมันเว้าซื้อๆเลยตายนั่นเองตายแล้วคน ยังเหลือแต่พระดูเม่นตายบนลมหายใจได้ตายแล้วคนคนไมยถึงตับส่วนวุ่นวายก็จะขวมเดือดร้อนบนอ้นขนคนเขาเอิ้นโซเล่อู้อี้ตานนี้เบาหาักเลยเนาะนี่ฮาวาโซเล่บักบ้าอีบ้าเนี่ยอันคนนั่นมันหลายซิ่งหลายอย่างด้วยเนี้อใจเฮานี้ให้หูอจากอันนี้คนนั้นมันโซเล่มันตายแล้วนังอยู่รู้แต่พระพระนั้นเป็นยังไง เพราะการวิวัตรพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาพระแปลผู้ประเสธอยังเต็มิตใจลุน้นล้วนอยังเต็สติปัญญาลุ้นล้วนผลเอืน่นพระอันนี้แหละคำว่านิพพานให้มันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหากเขาบอกเข้าใจอยงเต็มเนื้อของจิตต่ออนติพานโบพอเดะโบพอเทเทยังไงให้คนมันตายซะให้มันเหลือแต่พระซะให้มันหูจกักอย่งเต็มการทําอย่างนี้ขุดเหมือนเข้าไปในทัพ เมื่อเขาอยู่ในถ้ำนี่มันมืดมีบุคคลผู้สลาดขึ้นมาไม่คิดอจู่ในมือเจ้าแล้วเทียนไขอยด่ในมือเจ้าแล้วจุดเอาแม่ต้อยแ ห, ง, แหงนนะ่จุดเทียนหัวมืดมันหายไปโลดบาปกรรมกระทำสร้างถ้าห้กเขารู้สึกดีแล้วหายเลยเขามืดเขาจิตสว่างขึ้นมาได้ ท, ทันทีเขาเคยได้ยินบางคนอาจจะไ่ได้ยินจไว้เหมนใด องค์คุลิมานห้าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเป็นพันคนพุน่นเละห้าคนนีิบัติเมื่อไปพบพระพุทธเจ้าแล้วจีบข้าพระพุเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าองค์คุลิมานน่ะสิององค์คุลิมานเอิญเสีก่อนสมะนณะโคดมไม่กลัวตายจะเดินไปทําไมเราไม่มได้เดินองค์คุลิมานเดินคนเดียวสอย่ามาตัวสนนิคนมันต้องเห็นไปด้วยตาคือซื้อพระพุทธเจ้าคนมีปัญญานี่ เราไม่ได้เดินองค์ุลิมาเดินคนเดียวยาตัวเราไม่ไตัวเราหยุดแล้วหยุดทำไมง่างไปเราหยุดจากการทาตัวเนี่ยเราหยุดจากการพูดสัวเราหยุดจากการคิดสัวโอ้อูนี่ทาตัวพูดตัวคิดสัวไ ด, ด้หยุดทันทีอันนี้แหละบ่เห็นตัวสมุทัยนะตัวสมุทัยทำให้ทุกเกิดตัวสมุทัยทาให้ทุกเกิดนะ องคุลิมานก็จะฆ่าคนเพราะเป็นเสื้อคำคนอื่นคนอื่น น, น, น่ะญาติแยงยันเฮาดีลื่นกันลูกติดยันองค์คุลิมานดีลื่นเพราะองค์คุลีมานเป็นคนพูดจริงทำจริงแม่นางสันเป็นหมออาจารย์เพ่นจะได้ยินบ่เอเอนี่แหละเมื่อให้ทรงเสริมคูบาอาจารย์คุบาอาจารย์ก็เป็นคนบูดีพยายามแกล้งให้องค์คุลิมานจะฆ่าคนขึ้นว่าคนตั้งเก้าคนสิบคนต้องฆ่าองค์คุลิมานได้เนี่ยเป็นนางสัน พอดีไปพอพระพุทธเจ้า พ, พระพุทธเจ้าว่าหยุดส่งคนเลี้ยงหมาก็ได้หยุดจากการทําชั่วพูดชัวแล้วก็ได้เป็นพระอริยบุคคลเอาแหลมมือนี้ได้นำธรรมะมาเล่าให้ฟังกอ่อเห็นว่าตรงควรเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำ ส, สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณพ่อหลนตาสาวกพระสมมาสมุทรเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ตัดตัวสมุทัยให้ได้ให้ฆ่าตัวสมุทัยให้ได้มักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งขอให้พวกเราทุกคนทุกคนจงพบอกับชีวิตจิตใจของเฮาที่มันบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบอยู่ในตัวเฮานี้ ในสีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ <c oughs> ตั้งใจรับประทานอาหารไปพร้อมและขยังพอสิวาให้ฟังไปพร้อมเป็นการให้พร <c oughs> จะก้อนออกไปเอาบุญ <c oughs> สั่งเอาพระพญทาศพีมาได้บุญอันนั้นได้อยู่ แต่บุญแบบนั้นมันบุญแบบหนึ่งบุญแบบอย่างพรวานี่มันบุญแบบหนึ่งให้ผ่อนแบบอย่างพรวานี่มันให้ผ่แบบหนึ่งให้ผ่อนแบบภาษาบาลีนี่มันเป็นแบบหนึ่งเฮาติดคนไทยแล้วฟังภาษาบาลีมันบออกขนมโ บ, บแตกมันบออกมันต้องแปลนโมตัสสนี่เขาจะว่ า, าจะเกนตายคุ่เน่อง หลายตั่วคนเนื้อตายมาไปบ้านใดเมืองใดกับบ้านนโมตัสสะเป็นเมื่อทุกคนแล้วมีคนใหม่ย่างแดดนโ ม, ต, นนม ต, ตัสสะนโมตัสสะพระคัมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะถามเด็น้อยขากับว่าได้อันนัก็ว่าเมืองคนดีอแต่เป็นคนไม่ดีว่าดีซื่อแต่บหุ่นจักมันเลยโบดีเป็นว่าเมืองคนดีนนดด อ, อ, อ, อย กลับเป็นคนไม่ดีเฮือนเขาคือกันบ้านเขาคือกันบ้านดีเฮือนดีแต่เป็นคนบดูดีอยู่นั้นบ้านนี้ตนตัวเฮานี้บิ น, นแข้งขาหน้าตามือเท่าดีแต่อันคนคิดเหมือนบดีก็มีอยู่นี้คนว่าเมืองคนดีแต่เป็นคนไม่ดีบ้า น, นี้เขาเป็นเมืองคนดีให้เป็นคนดีเข้าไปยุ่งร่างกายเาแข้งขาเขา บวหักบวชหันให้มีจิตใจดีเข้าไปยูคนวันทันทีว่าน้โมตัสตาน้โมตัสตะพระคัมภโตนั้นเป็นภาษาบาลีวอาจนตายกระโบหุจักแปลว่นาน้าโมตัสตะพระคัวภีโตแปลว่าขอนกนอนนกให้จ้าใดน้อมให้เจ้งใดให้หูจักอลหาโตอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีวอาจนตายกระ โ, โบหุจักวันนี้เราเป็นพว้ใกรจะฆ่าศึก กายจะอันตรายกายเจะอันตริเิเลสพุ่นอย่างแม่นเป็นว่าข้าศึกยูสิได้กลมถลอกที่เทียงกันนั่นแหละข้าศึกอันตรายก็เพราะว่าเมืองคนโบดีนั่นแหละมาอยู่อันตัวคนโบดีมาอยู่เมืองคนดีนี้อันตัวจิตใจโบดีนั่นแหละเป็นว่าเป็นว่าเอ่นกิเลสอันนึ่งกาจะอันตรายอันนคันมันมีกิเลสแล้วมีอันตรายอยู่คันโนดเป็นว่าสำมาสมพุทธสะ พ ร, รพระเจ้าฝนรู้เองเห็นเองแล้วพระจะานำมาสอนพระจงมาสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถ า, าคาตาคือกันมีแขนมีขามีตามีมือกันคือกันมืดแต่เมื่อยังบุหุจักกับมืดคือคนอยู่ในถ้าบุหุจักไม่ยั้งเขาลุกขึ้นกับไป ตนหลักตนต่อตกบ่อตกเหวป้ายกันเนี่ยย่างเฮาเฮ็ดสมือนี่ก็คือกันผิดผิดทุกทุกผิดผิดทุกทุกคันผิดได้ทุกได้มาซึ่มีประโยชน์บ่บ่มีประโยชน์แล้วขอมันผิดนําทุกนํำนี้ทุกน้อยบางเชือผิดหลายบางเชือผิดหลายทุกน้อยแต่มันเริ่มมดเพราะอยงว่ามันเป็นวิถีบวกกับลบบันนี้ขนามูจักแล้วด้วยมันก็บดผิดแล้วเฮ็ดก็บดผิด ดีจะถูกต้องทั้งหมดนางนัางจะว่าควรศึกษาแล้ควรปฏิบัติเป็นว่าให้เป็นเมืองคนดีเมืองคนดีก็ให้มีคนไปดีไปยู่หัน่นเป็นวางใจถ้าเมืองคนดีกันแต่เป็นคนบู ด, ดีไปยู่มันก็บู ด, ดีเลยบ้านเมืองอนั้นก็บู ด, ดีโตเฮานี่ก็คือกันแข้งขาหน้าตามือเท่าดีแล้วแต่จิตใจบู ด, ดีก็บูดีแล้วดีมันคิดมีดีจังได้มันบู ด, ดีอยู่ดีแต่ว่าให้เอาหัวใจ ศึกษารอบบ้านของเบิ้งกับยูนเสีอผู้ันเหตดีผู้นี้เหตบุตีของผู้จักนี้คนเหตบดีที่เอามาเป็นตัวอย่างบุมันก็บุตรีเสนว่าเหตบุตีคนเฮตดีแล้วเนี่ยเหตดีของก็เบิ้องของใครเห็นก็เอามาเป็นตัวย่างว่ากับปฏิบัตินำเพิ่นพังว่าพุระเจ้าบนว่าเมื่อยังบุษันรู้บุษันนี่กับเหตตายเสียนะบัดนี้เพยังมาว่าปัตทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่างเราตถาคตนี้เท็กย่างพระพุทธเจ้าคุณทำย่างพระพุทธเจ้าคุณแล้วก็จ้าหูจะเห็นจะเป็นจะมีคือพระพุทธเจ้าคุณคนวางอันพระพุทธเจ้านั่งบนแม็นลูกเจ้าสายเสสคขุมาลคุณในบนเมรุนั้นตายไปนเนี่ยถามพระวรกลิขิตในคนวา พระวรกลิขเข้าใจว่ารูปนามอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตีดคนธรรมดาผู้ทุกสนมันก็ต้องเห็นด้วยตา ก, กับวาจาสันนก็เข้าใจว่าอย่างสันแล้วขาน้อยว่าเราสิไเนื้อพระเจ้าขาหรือครัช์เอริร์แกลเลตจิวานโบเมเนพระวรกลิกตายเป็นว่าตายเปลนเหนาเป็นว่าเหนาเป็นเหมนหรือว่าเหมนเป็นอันเราพูดว่าพระวรกลิขว่าพระพุทธเจ้าเนี่ตายเป็นว่าตายเปล น, น น, น่าเป็นเมเป็นเน่าคนตายเป็นเน่าเป็นเหม็นเป็นมกจีนเนพระพุทธเจ้าช่างไดนอันนี้เปนบมญเนี่ยพระวัคคะล็กเกิดมีปัญญาขึ้นรูปหอยเบิ้องพระพุทธเจ้าก็เลยว่าพระพุทธเจ้าได้แทนนั่นบุนอันนี้ขันพระวัคคล็กอย่างเห็นพระพุทธเจ้านั้นอย่าสมมาเบิ้งอันนี้เบิ้งจิตเบิ้งใจจะของพุนพระวัคคะล็กก็เลยเกิดมีความคิดเกิดมีสติปัญญาเบิ้งจิตเบื้องใจตัวเองพุนโอ้ อันจิตใจสะอาดสว่างสงบนี้เด้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าเลยพระวักกลิกก็เป็นพระพุทธเจ้าใดเพื่อังว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เราเป็นตถาคตนี้ใช้คาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เราว่าเป็นตถาคตนี้ไปถึงแล้วแห่งนั้นและเกณฑามสอนลพวกเธอทั้งหลายนำไปฮอตที่ได ผมไม่ีขึ้นเครื่องบินไปบมม่ขึ้นรถยนต์ไปบมไม่ขี่รถขี่ร้อขี่เกียร์มีนังบมได้นังไปใส่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ต้นโพแล้วเพื่อนเลยเห็นจิตเห็นใจขึ้นเขาก็มีจิตมีใจคือขึ้นนั่นแล้วเขาก็เบื้องจิตเบื้องใจเขานี่สินก็เลยหัวจักว่าพวกคนเห็นได้อันอนี้ถือศาสนาคิดก็เห็นได้ถือศาสนาพุทธแตเห็นได้ คือศาสนาพร า, า, า, ามศาสนาในกระทำตาเห็นซึ่ว่าคนแล้วคือกันมัดกันไวแล้วเหาไปเข้าใจว่าคนถือศาสนาชิดนั้นบ่มีนรกสวรรค์ตีนั่งถือศาสนาพุทธนี่มีนรกสวรรค์ตีบ่มีนทั้งหมดถ้ า, าว่าศาสนาชิดบ่มีบาปบ่มีบุญบ่มีนรกบ่มีสวรรค์มันจีเป็นนับถือหัวมันยังศาสนาพุทธเขาแยกไปตกนรกบ่เขาก็ไปถือศาสนาชิดพุ่นส น, นิวเบิร์น ศาสนาคิดนั่นก็มีคือกันนห้เขาเอนภาผู้เป็นเจ้าเขาบ่ยเห็นภาผู้เป็นเจ้าอยู่ใส่นรกยืดใส่เขาบุ่เห็นอันนี้แหละคนว่าให้เขามีตาทิพย์มีหูทิพย์ระผู้เป็นเจ้าก็คือจิตใจคือตัวมีสติมีปัญญานั่นแหละภาผู้เป็นเจ้าให้เขาเห็นอ่งสังอ่าโอ้ต่อสติโตสมาธิโตปัญญาเห็นจิตเห็นใจบางทีซื่อพุณดิอันนั้นเป็นพระอรหันต เพ อ, น, ข อ, ข อ, เอเนเออพอเขาะเจ้าแค่เขาเข้าใจถ้าเขาบวชเข้าใจแล้วยู่กับศาสนาคุทธก็ บ, บุญจักอันตกนรกอยู่ไใส่เน่ยยุ่งนรกกับขุมทุกนันเนี่ยหลายฝั่งมือนเสานี้คนไปตีคุกตีตารางนั่นน่ะคิดว่ามีคนสุขบอกบ่มีความสุขแล้วนั่นนะมนนนนนนนนีคนทุกข์เลยเด้นน่ะผิดกฎหมายบ้านเมืองเลยเด่นเลยันนี้เขา ย, ย่างไปตามถนนคนทามุนินี่คันเขาเฮ็ดผิดแล้วได้ยินเสียงคนว่าแต่ก็บละวาดระแหว่ใจขึ้นมาลู เน่กระทุกกันกันกันเลแล้วบัดนี้เขาว่าอย่างให้เฮาเบิ้งเฮาเบิ่งหน้าขาเจ้าเฮากระโกดก็ะเที่ยกรสั่งขาเจ้าเฮาบ่ดีแด้วขาเจ้าอย่างเราขันเฮาดีแล้วเขาเจ้าเบิ้งก็เบิ้งซื้อเบิ้งในฐานะที่ดีขันเบิ้งในฐานะที่บริการของเฮตัวนั่งนานที่ว่ามาทําบุญมื้อนี้นึกว่าจะมีคนหลายโหลาณนี่ได้ยิน พนน่บักพ่อนมกับแม่บักพ่อนุ่มไว้ฟังว่าที่มีคนหลายเนี่ยพอจเนี่ยพ่ อ, พอก็เลยมาเบิง่งมาเบิง่งแล้วบ่มีคนหลาเขาเบิ่มีคนหลายนายั้นจะกิเฉพาะมีแต่แถากับเฮ็ดแต่เถานีน้ลูกลูกหลานหลา น, ลานพี่พี่น้องนองผู้ได้สนใจกับมาเฮ็ดรูดมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญานี้อันนี้แหละเป็นทางที่จะเฮ็ดให้เราไปชนจับหัวทุก เป็นลูกเป็นหลางกระเบื้องส่วอย่างเอาในทางที่ผู้เทศดีนั้นผู้เทศบูดีอย่าไปเ็ศนำเขาไปเทศนาคนบูดีมันก็บูดีแล้วเขาไปเบื้องจะขนบูดีอนี้จางนั้นถึอว่าผู้เสมอเขากระเป็นครูของเขาผู้ต่ําก็เขากระเป็นครูของเขาผู้ดีก็เขากระเป็นครูของเขาเนี่ยขันวายสิกาให้หัวเจ้าถึงหูจังใดเขาก็เบื้องว่าผู้มันบูดีเขาก็ตามคนเฮาอันอย่าอย่าเฮ็ดอันนึงผู้คนดีคนเฮาเนี่ยพูกับสูงคนเฮาอัน เข <hops. S 2> ก็เฮ็ดแบบผู้คนดีคนเฮาพุ่งผู้เสมอเฮาได้สิกำลังยางเหี่ยงอยู่ีนี่เนี่ยนั่งเบิ่งอยู่ดีนเนี่ยเขาก็เสมอเหมนกับเพคนนั้นเขาก็เฮ็ดดีคนแต่องนั้นยั่งมาเป็นครูของเฮาเมื่อเล่าให้กับเป็นครูของเฮาเว้าดีก็เป็นครูของเฮาคนพุกก็เป็นครูของเฮาคนรวยกับเป็นครูของเฮาคนเสมอเฮากับเป็นครูของเฮาทันคนมีปัญญาเบิ่งมันต้องเบิ่งไปอย่างนั้นอันนี้แหละเป็นว่าเป็นการคาดคิด หะเหาะเห็นเวีนกรรมคนโบราพม่นเป็นการคัดคิดหะเหาะเห็นเวีนกรรมอีตานี้มันเป็นอย่งซี้เด้เสือสาดนี้พ่อแม่มันดีลูกมันยังบดูดีโอคนพูดีมันเป็นอย่างสิ้นเพิน่นขาดคิดไปคนทําแบบนี้เดียวกขาทุกข์ได้ขนาดพ่อแม่มีเงิ น, ม, งนมีทองก็ิะไสเงินพ่อแม่หมดแล้วกิทุกข์ได่เพิ่นคิดอย่างไรตัวนอกการขาดคิดเหาะเห็นเวีนกรรมให้เขาเข้าใจบนนี้พอตั้งแต่สาดแล้วคุนเอ๋ ว่าไม่กรตั้งแต่สาแล้วกรรมคือการกระทำคนเด็กมันจึงไล่ตามเขาฐันเงินขันเงินเงินบมดทอนแล้วก็บบุีแล้วกันพ่อแม่มีเงินมีทองลูกว่ามีเงินมีทองเพราะอยังเขาเจ้าเบิ่งสังเกตการคนคุณบอกโบราณสอนบได้ยพ่อเนอเอิญเนี่ยบัคกานีในบุตีได้สิมันบุได้ขึ้นอยู่กับเครือศาสตรตะกูลมิยังขึ้นอยู่กับคนทําดีกับคนทําซัวเท่านั้น คนทำดีตะคุณซัวอาจจะได้เป็นคนดีก็ได้คนทำซัวตะคุณดีอาจจะซัวก็ได้พึ่งยางว่าหมอหมอดูเพึ่งคำนวณทังสัน้นเฮาก็เลึกไปจ้างเขามาดูเลขให้มาจ้างเขาเบิ้งหลายมือให้เอาไปเบิ้องอย่างทั้งสัน้นอั น, นมันเฮ็ดอย่างให้เอาเฮาเฮ็ดเอาซื่อๆนี่นะแล้วคนสลัดก็กระเดาใส่เบิ้งหน้าตาแข้งขาเบิ้ง เขาอ่านเบิ่งเนเอานางคนว่าหมอลเอกหมอดูอ่านเบิ่งเขาที่มาหาเขาอ่านเบิ่งใบหน้าใบตาคนว่าอันนั้นเขาว่าเอื้นขนขาดคิดสังเกตการเพราะเห็นเวรกรรมมัที่เป็นจังสั้นคนจังสั้นมานที่เป็นจังสั้นเขาว่าจังสั้นเขามันโบ้หุ่ชักเอื้นวางโง่สึเคียดขันวางโง่เจ้าขอควมจริงมันบ้หู่ชักมันโบ้หุ่ชักกึกเคียดอีกตัวมันก็หู่ชักไปว่ามันหู่ชักแบบนั้น คนแบบนั้นมันต้องรู้จักแบบนั้นกับว่าแบบปุถุชนอั่นปุถุเขาเอิ้นมาเป็นคนหนาปุถุชนคนสลาดเขาเอิ้นคนปัญญาดังนั้นเขามาทำบุญแจกเข้ากับแมนมาทำบุญเจริญสติเจริญปัญญาเจริญนิพพสนากับแมงให้เฮาเฮ็ดให้มาเกิดสติปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความจริงความจริงเป็นสังว์ใดมันเป็นอยางสัตวไหน ถ้าห้าเขาเฮ็ดแล้วมันบบจริงมันบบได้ผลเลยเฮ็ดซื้ อ, อมันบบได้ผ ล, ม, ผลมันจะได้ผลใ้อย่างของเจ้าของเฮ็ดซื้อเฮ็ดบบได้พิจรารณาหาเหตุหาผลเขาเรียกว่าเหตุการณ์เหตุผลเหตุการณ์เหตุผลประสบการณ์คนว่าให้แก้ให้พิจรารณากับแก้บันห้องอยุ่น G, น้ำแอร์แจตัวเงินเฮานะ่ะมันก็มาสอนเหา กับแก่กับแก่เนี่ยเขาบอกแก้จากเชื้อเช็ดผิดกับะทีจวงสันกันเลยบอกแก้จากเชื้อตัวกับแก้แท้ๆบางกันย์ยังมาสอนคนเปลี่ยนมันผิดแล้วเนี่ยแก้สาแก้สาสันวันเนี่ยวกับแก้มเอิ้นว่ากับแก่กับแก่บางคนไปตีเป็นตัวเลขเกิดมีอย่างพอได้ยินเนีมันห้องจากเชื้อมันจะออกเลขจากโตนยังสันมันก็ไปคิดอย่างผู้ผู้โซนมันต้องคิดไปอย่างซัน คนมีปัญญาฟังโอ๊กหูนี้ผิดแล้วเด้กับแก้เหมือนฮองกับแก้กับแก้กูจะแก้ตัวคนดอกเต่าเท่นคนมีปัญญาเขาเอิ้นกันละหนักสนเขาเอิ้นบัณฑิตเอิ้นหนักตาอันปุทุศนฟังอันใดกคมีแต่ยากลาภยากรวยแต้ขี้เกียจชี้หันห้าทางผิดมันจีรวยจากเธอหรือมันจิรุ้ยเนี่ยนั่นสินพระบริจาคห้ามแล้วนี่เล่นการพนันคบคนตัว เที่ยวกลางคื น, เ, นเกียดข้านการงานนักเพลงผู้หญิงเน็ตผู้หญิงก็คือกันนั้นเองขันมักตั้งแต่ผู้บ่าวขึ้นเลเป็นนักเพลงผู้สายขันผู้สายขันมักแต่ผู้หญิงคนดู้ค น, คนสวยไนักเพลงผู้หญิงเขา<ม>อย่าเป็นอย่างสาั้นคนให้รู้จักขอคนวันกับแก่กับแกเนี่ยมันแกโตซะเนี่ยคนวัอย่างสั้นให้รู้จักข่มผิดพลาดว่มผิดมันเป็นขู ญาติทำผิดเฮิร์นค่วมผิดพลาดก้อนที่จะแก้ค่วมผิดพลาดก้อนที่จะแก้นิสัยใจคอค่วมลงผิดนะต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เห็นจริงตามค่วมเป็นจริงญาติเห็นผิดเป็นผู้ญา่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ญาติเห็นกงจักรเป็นดอกบัวญาติเห็นตัวเป็นดีเป็นว่าอย่างสันคนโบราณสอนสอนดีๆนี่แหละหอกบัวจากข่วมหมาย คันเห็นผิดแล้วมันจะถูกบอกมันกับโบทุกข์แลมกับผิดไปเรื่อยๆเลยปนว่าเสาซ่ามันผิดเนี่ยปัาซังกับแกบเป็นอย่างคัดแกนแก้ซ่าคันมัดเขาสุ้มมือเนี่ยก็ยิงแล้วก็ยิงมัดเลยขอเห็นว่าเขาคือเลื่องมอนเรื่องใหม่ในแต่ก่อนเนี่ยพอเคยเห็นตัวมอตัวใหม่นี่ยเป็นตัวมอเล็กๆจินมอนเข้ากินมอนเข้าไงเข้ามันแล้วก็สุกสุกเข้ามาแล้วก็ดิ้นได้บ้าหนึ่งดิ้นกับซักไงพันเข้าพันเขา คนที่สุดเป็นดักแด้อยู่ในหลังหลอกคุณเขาไปต้นตายดำเน็ตเพราะมันเฮ็ดฮิตนะสักไงพันตัวเองเลยเป็นดักแด้คนจะห่าอาไปเฮ็ดใหม่ห่อามาเฮ็ดเป็นครูเ่าสอนได้บ้านทุกอย่างถ้าคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาจะโอยเบื้องกระจินดักแด้แทบเละกระจีวาจังสันเลแต่ความจริงเพิ่นให้พิจารณาจังสันมัน น, นี่คนตายเขาเอาเขาตัวแทบไปว้านเสียนะ มันบวมแย่น่ะคนบูฮู้จากอายอ่ะ น, นั้นให้มันแตกออกจากขุมมือทั้งฟ้าให้มันคือเขาวตอกแตกไปให้มันหัวจากอายซะเป็นว่ากันคนบูฮู้จากอายคือขาเปลือกเนะ่ยหุ้มห่อโยงกันแล้วแตกดีมันมีอยู่ในขาเปลือกขั้นละเอาไปใส่ไฟแล้วบันนี้ข้วไปตอกเขาจอกแตกมันแตกออกมาเนี่ยมันออกจากขุมสัวได้คนบูฮู้จากสัวมันจะออกตัวได้ผม ยังนั้นเฮามาเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่หาอ้ายหานองเฮาต้องละข่มตัวอย่าเอาทัวมาเป็นครูเป็นอาจารย์มันโด่ดีพี่ให้เป็นพี่น้องให้เป็นน้องพ่อให้เป็นพ่อแม่ให้เป็นแม่ให้หุ้จยักเคารพนับถือกันคนบูหุ้นักเคารพนับถือกันและพิจิีรเคารพนับถือในตระกูลของเฮาบุนับถือกั น, น, ก น, น, กนแล้วคนอื่นเขาก็ดูถูกสนุเว่าง่ายๆเขาจิ้มม า, ข, าข้าวกับ ง, ง่ายนะเฮาอยู่พูดเดียวนี่นะ ถ้าเขามีคู่บ่เนี่ยเขาจีมาค้าเขาเออระวังคู่มันได้เนี่ย <S <S <S <น>ถ้าเขาพี่น้องหลายคนได้บ่นเนี่ยระวังนักบวชอยู่บ้านนั้นคุณพีอยู่บ้านนี้นะก็จีบเอาอย่างนีก็ตลมัดระวังคนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างสัน <S <S อันนี้นะบะ่แล้วมีพี่น้องจะมาว่าเราคู่คู่ดีแล้วเพื่อนบุญเดียวก็ตายแล้วคนแบบนกคนว่นาคนอวดดีนัะนะ่นคนพวกมีดีนคนมีดีมันต้องพิจารณาคนซัว ก, ก็มาเป็นคนเขาได้อย่างญาพรวาน คนดีก็มาเป็นเพื่อนเฮาได้คนเสมอเฮาก็เป็นเพื่อนเฮาเนี่เป็นเพื่อนเฮาได้สนใดเพราะเฮามีปัญญาอยาว่าผู้ดีก้นเฮาก็เป็นครูเฮาได้ผู้ซัวกน้นเฮาก็เป็นครูเฮาได้ผู้เสมอเฮาก็เป็นครูเฮาได้ถ้าหาเฮาหูจักเอามาใส่ถ้าคนบูทุศนแล้วบูหูจักเลยโอ้นั่นซัวคนครูโดยบักอันเนี้ยอี่อันเนี้ยไม่บทูท่อครูโดยแนะมันถือว่ามันดีแล้วอันนั้นเขาเอินผูธุศนนั่นคนบูมีปัญญา คันดีคนเฮาแล้วบ่นเนี้ยโอ้ดีของเขาพุ่งแบบบุ๋มดีเท่าตัวเน็ทมันคิดยังสั้นเนี่ยมีแต่คนบูดีอันคิดยังสั้นคันคนดีนี่ไฝวาให้ฟังน้อมฟังเอามาเฮ็ดเฮ็ดเถอุญเอ้อนะเหตุผลอันนั้นเหตุผลมันมาแก้ทุกได้ประสบการณ์บ่นนี่ไปเบิ่งเขาโอ้คอยยังสั้นนะเขาตียังสั้นบัวไปหมอกฝุ่นเนี่ยเขาเน้อเอิญประสบการณ์ให้หู้จักเอามาใส่ ขันห่าบัวหัจักเอามาใส่แล้วบัวหัจักทั้งมดบหมเดียวมันคิดว่าบาปตายแล้วอ่าไปตกนรกคุณนี้บุญตายแล้วจะไปขึ้นสวรรค์มันคิไปเว้าคุณนี้มันเป็นอยู่ได้บ้านเห่านีนี่อันนี้ว่าเห่าเห็ดหลงบัวเมีนหลงได้เหาบัวหัวจักขันเหาบัวหัจักกับหลงนี่อันไหนคิดดีคุนกันหลงก็ยังแทนได้เด้อันบัวห้วจักจากน้อยนี่มาเต็มทีเด้ยย่าพ่อนี่เป็นทุกมาแล้วเด้นี่เป็นมาแล้วทุกมาแล้วบัวหัวจักบุญน่าพ่อ เมื่อเขาจับได้แทบบุญนึกว่าเฮ็ดบุญลายลายตายแล้วตายหน้าคุณอย่างจีได้บุญไหมนเนี่ยพอว่ามีเงินหนมดเงินเนี่ยพอสร้างวิทย์มีคำน้อยเดียวนหนึ่งก้อนหนึงบุญเขาได้หุ้นไม่เอาอไม่เทียนกับเมือไหนเท่ า, ออ า, านนว่ามืองจะอาไปให้ทังซ้าลหนึ่งเจ้าของนึกว่าเอาคำก้อนคำไปทิ้มเสีวิทแล้วตายไปหัวหน้านี้จไิไดจะขึ้นสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจีได้มาล้มเอาคุมเงินคุ ม, มนะคำอะไรกองขี้อย่ามานคิไปได้สังได เจ้าข้องมันโง่ขนาดนั้นบุญและวันนี้เจ้าข้องขยันหามันเลือดหมีนิดเอาไปทิ้มตะกรงอุจจาระไปใส่ส้วมใส่ฐานมันจะได้บีน้าก็ไปเป็นส้วมเป็นฐานเนาะขำอย่าไปคิดจังซันมันคิดผิดคนโบหุ่นจักมันคาดคิดออกนั่นคุณว่าผามมันหากินกับขนที่บ่อสลาดถามเขาเอื้อนขนสลาดคนสลาดต้องทํานาใส้บนหลังขนโง่ พอเซอร์สเตริดว่าอย่างที่คนณสลาดซื้อขายคนณโบแมนซื้อขายมันต้องพยายามอยากได้กำไรอันคนสลาดเฮ็ดนาเซย์บนหลังคนงโง่นั่นเบิร์บอออกได้อนี่ยพอจกีก่อนกระเจ้าหัวไอจัวนี่หลยโบสลาดข้างบนนีคนสลาดอันนี้บวกเข้ามาเลือกศึกเป็นยังทําซัวยอยู่ น, นี่แล้วก็มาลอกมารอเ น, นี่ยเฮ็ดตามกันเนี่ยื้อบนไม่มาลอกมาลอย ม, มันลงมาเลยได้เพื่อนว่ามันบูมฮุกจัด นึกว่าพระเราไปทานแเราจะได้บุญหมดโบเมนนีบ้บางทีคนไปรักของเขาไปเป็นนักปุ้นนักขี้นักโทษมากลับมาบวชมุนีของก็จิไปขลุกอย่างสันโบเมนได้นั่นั น, น, นจิตใจมันเป็นผีอยู่แล้วได้นั่นโบเม้สิตใจจิต ใ, ใจเป็นพระเด็กให้หูห้จักเลือกเอาพระมาไวไ้แคร์ได้ยังยะไปถือเอาอย่างสันพระนพระนั้นให้ถือเอาว่าผู้ใดสอนดีพูดดีนั่นให้ซื้อวา่าเาฟุนเป็นพระ เนีต้นโพโต่ห้มหาวานเฮาเจ้เอาลูกเอาผัวเอาเมียบ้านเขาไปเอาพูกเท่าพูกแกมามอกมาสอนเขาอันพวกเท่าพูกแกเดี๋พเอื้อนต้นโพโตโห่หมขันพูกเท่าพูกแกขึ้นมากัด ก, กินแต่เล้ากินแต่เนื้ออ้วนเจ้าหมายังหมึดของเขาเสื่อมันก็มีประโยชน์แน่นัอนอันคนที่เอามาสอนเขานี่ผู้น้อยกระางผู้ใหญ่ก็ตามอันต้นโพมันมีใบดกไม้หนาแปลว่าคนมีปัญญามาสอนเขา หอมจีดีพนเอนต้นโผโตฮมแม่แกนร้อนมาทีม่มีโฮมบมันกระล้นเส้หัวหอมตันกสะนัวมันโดกนี่คนพูดใหบุมีมิหยังเนี่ ม, มาสอนหามจีหูมิหยังมันก็มั ก, มกินข้าวหอหมดซื้อหมูซื้อไกมันก็กินของขหมหมดแล้วก็แล้วซื้อๆนหน่อยหอมจะได้กลมหูมิหยังกับคนกระนัวมองให้ฟังซื้อๆนี่ขันวองจังสีอ้อยลงพอดีมาลบลางขนบทำเนียบประเพณีแล้วเอากระนัวให้หูจักแกกระนัว ให้หัวจากปวดเรื่องความผิดมาว่าให้ฟังซื่อนี่นะอันเนี้เลิกซะความส่วน่ะเขามาพากันสร้างคนดีนี่ขึ้นให้บ้านเมืองเขาเยูอกเย็นเป็นสุขช่วยกันแก้ไขปัญหาความส่วนออกเอาความดีเข้ามาบ้านในมันบุกคล้องหาหาเพิ่มเติมขึ้นให้มันดีอย่าส่วให้มันดีตั้งแต่บ้านนอกคุณบ้านในก็ให้มันดีอย่าให้มันดีตั้งแต่เสื้อแต่ผ้า คันสมัยจิตใจเลียวซามคืออย่างนี้มันจิตใจได้บอกอย่างนั้นอย่าพ่อเบิ้งคนซื้อมือเดี๋ยวนี้โบคือคนจะเกา่าคนาว่ดคนจะเก่าน่งคนซื้อซื้อหกักดีไปใส่มาใส่โบลักโบกขโมวยกันอืซิ่งของเอาไว้ตามท่งให้ทงนาไปเบิ้งเมื่อเส้าเมื่อแรงยังคือเกา่าควยมัดไว้นําให้นํานาหอบไปเบิ้งยังคือเกา่าเดี๋ยวนี้มัดโบได้่ามัดไว้นวให้นํานา ตึ้งของดีๆเอาไว้บ้ได้เสียงให้เด้งนาวมัดคว้ยในคันบ้ล้อมหัวดีๆกะมาลักเอาซ้ําเคาว่าเจริญเตียงเสียจิตใจคนมันเร็วสามจิตใจมันต่าซาจิตใจมันโบดีญาติไปถืออย่งสันอันนี้แหละเพราว่าเมืองคนดีท่นแต่เป็นคนโบดีเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองคนดีเด้เมืองพุทธเนี่ยมันนับว่าเป็นสาวพุทธแต่แล้วบางเดียห้าฟันกันทุกมื้อ มือใดโบนี้มือคนโบตายอะเ บ, บิ้งแม่ข้าวหน้าหนังสือดินมีสู้บื้อฆ่ากันตีกันนี่ดีโบยังสัน่นโบดีแล้วจังสัน่นพระบุทธเจ้าเพิ่งสอนว่ามันโบดียังสัน่นมันเดือดร้อนมันนักปลาดบันทึกเพิ่งจะหาวิธีมาแก้เขาเอิญคนสลัดมาแก้ปัญหาสิ่งที่มันเลวร้วายออกไปเป็นว่นนั่นนั้นบ้านเมืองเอาสู้เด็จมีการศึกษาเราเรียนก็ดี อันใดก็ดีเด็ดสำคัญเรื่องจิตใจมันเลวสามเรียว่าบุตีให้มันเดไปเพราะมันคบเอาแต่คนบดีตรีเจ้ากับบดตรีข้ากับบดีมันก็เลยยืดหนึ่งกําขัญอันบุตีหันดังนั้นการเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ฟังให้มันเพื่สติปัญญาบนไม่ใช่ไปกราบเอาบุญซื้ออันบุญนั้นมันดีแล้วเหาใจดีนั่นแหละบุญเห่าเอาไปกราบพระเจ้าพระสงฆ์ดูกําลังสบายใจนั่นแหละบุญเหา ถ้าหากเขาใจบูดีแต่กลาพระเจ้าพระสุรกายข้อนตีหัวอยู่เพื่นเหมือนกิไปกล้าพระบนมันบดูดีเพื่นี่ยว่าเมืองคนดีแต่เป็นคนไม่ดีบัด น, นี้เมืองก็ให้มันเป็นเมืองคนดีคนก็ให้เป็นคนดีหน้าตาแข้งขามือเขาเขาดีแล้วให้เขาจิตใจดีสร้างดีอะนั้นไปฟังเทศนําพระเจ้าพระสงฆ์ให้ฟังเอาเหตุเอาผลเทตุมันเป็นอย่างสั้นคนมันเป็นอย่างสั้นผลไว คนว่าฟังเอาเหตุเอาผลประสบการณ์นะไปเบิงแล้ววัดนั้นเหตุจังสันวัดนั้นเหตุจังสันบางคนนะบางวัดนะสร้างโบสถ์หลังเดียวบเรีจากเถื่อมันกีนเลี้ยงง่ายโบขันมันแลี้ยงง่ายมันกินบเรียเงินญาติโยมมันกินวายอย่างใดมันก็สร้างอันนั้นได้เอาเงินญาติโยมไปเฮ็ดอันนั้นเอาคนที่สุดเงินพระบบมีเอาเต่เงินโยมไปสร้างแล้วไม่ได้่างไดอย่างสันก็ไม่เนเขาเป็นผู้สร้างสินสร้างเอาสั ยศหาบรรดาศักดิ์ของเพื่นคุณเพื่นเป็นอย่างตั่งให้เขาเข้าใจเรื่องเทนีคันโบเข้าใจเรื่องแทนีโอ้ยเขากระโบได้แก้จากเชือแล้วความผิดพลาดมันก็เต็กเข้าเต็กเข้าเตนโนบันนี้คันพลาดสร้างเลยยกกระพาดแท้แท้ด้ยคันสร้างคันเป็นพลาดแท้แท้แก้มโบสร้างอย่างตั้นเลยวะมันเคาะเอาเงินเข้ากระเป๋าเคา็มีได้คนมันเป็นอย่างตั้นเลยให้เขาพิจารณาดีๆเลยสร้างโบทหลังเดียวเป็นเก้าปีสิปียี่สิบปีกระโบแล้ว มันจีแล้วเนี่ยขาว่าอยากได้เงินคุณเอาเบอรเดกกะเฮ็ดอันนั้นเบอร์เดกกะเฮ็ดอันยศของคนเอาเงินไปเฮ็ดอันอื่นคุณทันตั้งใจแต่กีสร้างโบสถ์หลังเดียวเว้ยบอด์เดกกะแล้วเขาญาติโยมพอแห่งนะไปสร้างในบสถ์ได้เงินท่าได้ไปสร้างเงินโยมผู้ได้มาสร้างมันคันบันได้ซื้อเสี่ยงยศท่าบรรดาศักดิ์ท่าผู้ติดูได้เนี่ยเขาบูฮู้จักได้อันอันนี้แหละคนน่ะเจริญยิ่งภาษามันฮู้จักทุกแง่ทุกมุม ทุกทิทุกทางคนให้หูจักของสันยังอย่างพอวาจนขันวาเนีว่าเอาดีเต็มตัวเองเลเอาบนนี้เอาดีตัวตัวเองยังพิมพหนังสือมาแจกหมู่เจ้านีิเพราะหมู่เจ้ามันขันว่างโง่หมู่เจ้าขี้เคียดกับคนจริงก็งโง่กับอันบูหูจักกันไม่อันเดียวกันนั่นละ่ะคนโง่ให้จังสันคนบูหูจักให้ทังสันขันคนโง่คนหูจักมานอ่านหนังสือรู้บนเนี่ยโยหนังสือวาอย่างสันเนียจานเต็มเลือดก้าวอยู่ขนาด โยบุคโลอันวาบุคละผู้ใดสร้างกองกันทิ้นสร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปได้แต่เกิดเมืองสวรรค์อ้าวดัดจิตนีรลดักจุดสีบับสวรรค์เลยทำบุญกับพวกสันไม่มีตกนรกเลยเน่ไปฟังแต่คำเดียวเท่านั้นนึงอมูอเจ้ามันจะเข้าใจจังไยยังสันมันก็ต้องอ่านหนังสือหลายเล่มที่บิางหลายคนที่ฟังให้หูจักที่เพราะเขาเจ้าของมันไมยแน่ ทำบุญและอยักจะเก้าเทศสวรรมีแต่หนังสือเล่มเดียวเท่านากกั้นเจ้าเขาเบิ้งแต่คนผู้เดียวด้นเพราะว่าอยู่ในบ้านของตัวเองอัดปักตูอยู่ในห้องคุณเลยไม่เห็นคนย่างไปยังมาคนผู้หันจิตสลาดโว้ยจิตสลาดตายยังไหนคนแบบนั้นสอนมันก็บ้าเอาแ <c> ล <oughs> ้วคนที่สลาดเนี่ยเบิ้งเขาอ่านนังสือหลายเล่มโอ้นังสือเล่มนั้นมาจังสันนังสือเล่มนี้มาจังสี่คนผู้หันกายไปจังสันมาจังสันคนผู้หันกายมาจังสัน เนีย่ยก็เห็นหลายคนว่าก็ได้อามาพิจารณากว่าเหตุผลอะไรประสบการณ์กัว่าแก้ควอมผิดพลาดกูมีแล้วกูผิดมาแล้วต้องแก้อันนี้บบยอมแก้ขันบอกให้บอกโอ้ยโบแมนเอา้าเจ้าของแมนจีไหนไปเอามาสอนยังไหนคนแบบนั้นที่อย่างพวาให้ฟังว่าสื่อๆเนี่ยบบแมนจีจะฮะสั่งใครเนอ้อย เสื้อเ่พอเนยโบแมนแมน่พอบอกให้เสื้อเนี่ยพอว่าให้สองซสื้อแต่แล้วไปเกิดสวรรค์ย้อนขันเจ้าอยากไปสวรรค์เจ้าจิมาเอิญมุ่ไปเนี่ยเจ้าอย่าม่ไปพูดเดียวเจ้าขันมาได้บุญเจ้าอย่ามุ่งไปพูดเดียวเจ้าขันมาได้บุญเจ้าอย่ามุ่งไปพูดเดยวเ้แล้วอยากได้อย่างจะได้บุญเบียนนั่นแหละเพราะว่าเขาบหจากบุญอันบุญนั้นน่ะเฮ็ดเอาพูดเดียวกับด อยู่ให้ันสบายใจนี่นะบุญนะเนี่ยบอกว่าตายแล้วเพราะว่าจะเกิดเมืองสวรรค์จุดสิวัตรสวรรค์เลยสินมาทําบุญกับพวกสันไม่มีตกนรกเลยเป็นว่าขายนามาไว้สร้างขุดใหญ่มโหฬารเป็นว่าฮีเพ็ดเขาจะใส่หูเจ้าก็จะไปเมืองสวรรค์ฮีเพ็ดเขาใส่กันคนสลัดหูเจ้าที่ได้ไปตกนรกเนี่ยมันตรงก็อยู่ทสันให้หูจักทันคนตายแล้วก็เอาแล้วบันนา เฮ็ดังสั ai, oh ้นเฮ็ดย oh. ังเสี่เอาเครื่องมาประดับประดาโย่ประดับประดานี่คนตายอ่ะมันกิมาเฮ็ดยังให้เฮามาเจกว่าหน้าลาบานใจโผล่เนี่หน้าลาบานใจแล้วมื่อเจ้าของได้โศคนตายหน้าลาบานใจโผโศคนตายซะเนี่ยหน้าลาได้ขันเหมือนเงินเนี่ยบ่นเหมือนโศคนตายกับหน้าบานเนี่ยบ่นีคำว่าลอกเอาเงินมันแล้วมันโง่ขนาดใดเฮาเดียวนี้เงี้ยพ่อหาเรื่องมาวอาให้ฝั่งซื้อได้เดียวนี้เนี่ เนจีว่าเนี like, uno, hi, u, one, ่ยพ่องูอกับแม่ง้อมุขาเจ้าอยู่แต่วันเนี่ยพ่อบอเอาแบบนั้นพ่อบอกซื้อเฮามีศทธาเนี่ยมันลงเดี๋ยวนี้มันเฮ็ดมาตามแบบมันก็ดีอันนั้นบูสเตมันบูดีให้หูจักพ่อแม่ตายไปแล้วให้เราประหยัดให้เราเฮ็ดจังไดมันจังที่ดีสุดเอาไปทานเหมือนเอาเจ้าเอามาเท่านั้นกมันก็เม็ดเงินเขาส้นว่าเมียผู้ทุกข์มันก็ทุกข์ลงไปส้นว่าเนี่ยกันหน้าบานเนี่ยบหมืนเดี่ยว่าได้หน้าได้ตาสุน